ขออนุโมทนาแก่เราท่านทั้งหลายวันนี้ก็ได้สอนทนาธรรมะวันนี้เลื่อนเวลามานิดหนึ่งเพราะว่ามีภา ร, รกิจเยอะพอดีมีงานศพเอาและเราวันนี้ก็มาศึกษาธรรมะต่อจากครั้งที่แล้วนุ ครั้งที่แล้วพูดถึงในเรื่องของกัลยาณมิตรแล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวปริพโธน์เนาะประการเป็นต้นนั้นจริงจริงยังไม่ได้ขยายอะไรในรายละเอียดไว้หรอกแต่ว่าก็เลยพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่พูดถึงในเรื่องของปิโยครุภาวนิยวัตตาเจวันะคโมคัมพีรันจะกถังกตาโนจัตถาเนนิโยชเย ก็แปลว่าบุคคลที่จะเป็นกัญยาณมิตรเป็นที่ปรึกษาได้ดีที่สุดก็ต้องมีคุณสมบัติทั้ง7ประการเนอะใน7ประการก็มีปีโยเป็นผู้ที่น่ารักน่าเลื่อมใสเพราะเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคำเน้นที่ตัวพฤติกรรมได้กล่าวไปแล้วคารุนาเคารพบนั้นเพราะประกอบไปด้วยคุณสมบัติมีศีลสมาธิ ป, ปัญญาและการบางทีท่านขับเน้นเป็นการประพฤตุดงด้วยนะนเนีเน่ยเคารพบนักแน่นเนี่ย ก็หมายความว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยมีความสุขด้วยภาวนิโยเนี่ยเป็นที่น่าสรรเสริญมีจิตที่เที่ยงธรรมไม่ลำเอียงวัดตาก็เป็นผู้ที่สามารถอบรมลูกสิทธิ์ได้วัจนัคโมเนี่ยเป็นผู้ยอมรับคําตักเตือนจากสาธมิกและละูกศิษย์เป็นต้นได้ด้วยที่กล่าวถึงคัมพียรัญจะกระถังกัตตาเนี่ยเป็นผู้สามารถแสดงอัด อันลึกซึ้งที่กล่าวไปด้วยรูปน้ำขันห้าสัจจะปฏิจจะไดรักอย่างนี้เป็นต้นเนาะยังแจ่มแจ้งชัดเจนอถารณีโนจะนิโ ย, ยเยเป็นผู้เว้นจากการชักชวนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ได้บอกไปแล้วนะคุณทั้งเประการถ้าขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ ก, ก, ก็ไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้หลักการที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยนะ ท่านก็พูดถึงในเรื่องของสถานที่ให้เว้นจากสถานที่ที่เป็นโทษทั้ง18ประการนะบางแห่งท่านในคำพีวิสุทธิมรรคเขาเรียกวัดวัดที่ไม่เหมาะสมแก่การเจริญสมาธิก็มีมหาคตังวัดใหญ่เนี้ยนวตังวัดใหม่วัดเก่าวัดติดทางหลวงวัด มีสระน้ําวัดมีผักวัดมีดอกไม้วัดมีผลไม้วัดมีคนขึ้นมากวัดติดเมืองวัดติดป่าไม้วัดติดที่นาวัดติดวัดที่คนเขาขัดแย้งกันวัดติดท่าน้ําคนมาตักน้ำหนึ่งวัดติดชายแดนเนี่ยคนลบกันวัดติดพรมแดนวัดอันไม่เป็นที่สปายะวัดที่หากระยาณมิตรไม่ได้ที่จริงข้อสุดท้ายเนี่ยยาก สำคัญนะต้งหากระยาณวิทย์ถ้าพูดถึงในเรื่องของวัดใหญ่เนี่ย <c oughs> วัดใหญ่กว้างขวางใหญ่โตมากเนี่ยฉะนั้นวัดที่เป็นวัดใหญ่ภิกษุไม่ได้ทำกิ จ, จวัตรมีการกวาดลานโพเป็นต้นขัดแย้งกัน พอเป็นวัดใหญ่ขึ้นมาการบริหารจัดการมันยาก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมณ <c oughs> วัดตังเนี่ยณณวาสังเลยวัดที่อาศัยที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เป็นยังไงอาวัดที่สร้างขึ้นใหม่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ที่จริง วัดใหม่เนี่ยมีการก่อสร้างมากเมื่อเธอไม่ทำก็จะแต่ในวัดใดภิกษุทั้งหลายพูดให้โอกาสอย่างนี้ว่าขอท่านบาเพ็ญสมณธรรมตามสบายเธอพวกเราจะทำงานก่อสร้างเองวอกถ้ามนเป็นอย่างนั้นควรอยู่นี่ที่นัน <c oughs> แสดงว่าเขาให้โอกาสนะนะถ้าวัดเก่านะครับโอ้โห ต้องบูรณปฏิสังขรเนี่ยไ น, น, น, น, นี่โอโ้โหกองแกงกองแกงวัดติดทางหลวงไปยังไงจริงๆก็คือคําว่าติดทางหลวงมีภิกษุอาคันตุกรมาพักกลางคืนและกลางวันเยอะบางครั้งมาในเวลาวิการบางอะไรต่างต้องคอยออกต้อนรับกันอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยก็เลยไม่สะดวกเนาะหรือวัดที่มีสระน้ําสระบกครณีในวัดนั้นมี ม, มหาชนชุมนุมกันเพื่อจะตักน้ํา ตักน้ำกันใหญ่เสียงจอกแจ๊กโจกแจก็จะรบกวนอีกวัดที่มีผักนี่แปลว่าอะไรดูไหมครับก็คือพวกหญิงชาวบ้านทั้งหลายก็จะพากันมาเก็บผัก <c oughs> <c oughs> เสียงหญิงก็รบกวนอีกเนะ้อวัดมีดอกไม้เป็นยังไงบางวัดจะปลูกดอกไม้ต้องระวังนะคนก็มาชม <c oughs> วัดมีผลไม้เป็นยังไงโอ้โหมีมะม่วงบางชมพูบางขนุนบางโอ้โหเป็นปัญหาอเลยเนี่ยวัดที่มีคนขึ้นมากดังนั้นโอ้ยคนมาเยอะจริงๆพกพ่านตลอดเวลาเนี่ยนี่ไม่ไม่เหมาะนะครับวัดติดเมืองเป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมหลบหลบมีเด็ดเสียงกระทึกกระโคมทั้งนั้นเป็นข่าศึกเนี่ยวัดติดเมือง มันเป็นที่เป็นที่เป็นอุปสรรคแก่การเจริญสมาธิมีวิสภาคารมอารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็วัดติดป่าไม้เฮ้ยทาไมวัดติดป่าไม้เนี่ยพวกไปตัดฟืนครับในสมัยโบราณเนี่ยก็ไปตัดฟืนตัดอะไรต่างๆพวกหญิงไปเก็บฟืนบ้างพูกชายไปเก็บฟืนบ้างเป็นต้นเหล่านี้โอ้โหนเนี่ย ภิกษุเพียปรปฏิบัติเดินออกมาจากเรือนบาเพ็ญเพียรไปท่ามกลางวัดก็จะพบเขาในเวลาก็จะมีการสนทนาปาสัยกันเลยไม่ค่อยได้มีเวลาบาเพ็ญเพียรในการประพฤติปฏิบัติวัดติดที่นาโอ้ <c oughs> โหทำนากันนะแล้วก็วัดที่มีคนขัดแย้งกันแต่วัดติดท่าท่าน้าหรือท่าบกที่มีเกวียนไปมาทั้งหลายเลยนี่ <c oughs> วัดติด <c oughs> ชายแดนเป็นยังไงครับ ชาวบ้านมักไม่เลื่อมใสในพระราชนธุ์ไทยเพราะว่าคําสอนของพรุทธเจ้าจะไปไม่ค่อยถึงเนืพวกชายแดนพวกป่าเขาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้วนวัดติดพรมแดนเป็นยังไงครับมีราชไพ่นะครับราชไพ่วัดที่อันไม่เป็นที่ส ป, ปายะก็คือวัดที่อยู่ในที่ไม่ส ป, ปายะมีอารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ค่อนข้างเยอะ ไม่เป็นสปายะวัดที่หาการยานมิตรไม่ได้วัดที่หาการยานามิตรไม่ได้ดาาดไไดฉั้นคำว่าการยานามิตรเนี่ยอุปชาอาจารย์ทั้งหลายตัวนี้สําคัญที่สุดเนาะท่านก็เลยกล่าวไว้ในคมภีวิสุทธิมักตอนว่าในบรรดา18อย่างเนี่ยที่ไม่เหมาะสมแก่การเจริญสมาธิในคำภีอรัรถกถาท่านก็เลยบอกเขาไว้นีว่ามหาวางสังนวาวาสังเป็นต้วเนี่ยผู้เพียปรปฏิบัติ เพิ่งทราบว่าในบรรดาสถานที่18แห่งเหล่านี้เป็นวัดใหญ่วัดใหม่วัดเก่าไล่มาตามลำดับนี่แหละไม่สปายะก็จงหาสถานที่ที่สปายะที่เหมาะสมที่ประกอบไปด้วยองคุณก็คือที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากการบินบาทดังพระเจ้าตรัสเขาไว้นะว่าเสนาสะนะในภาษาสนานี้เป็นที่ไม่ไกลไม่ใกล้จาก โคจระราคา ม, มีทางไปมาสะดวกก็คือที่บินทบาตนะครับไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปเพราะถ้าไกลเกินไปเนี่ยเวลาไปเดินบินทบาตเวลาได้สมาธิแล้วเนี่ยนิมิตหลุดเลยนะครับแต่ใกล้เกินไปก็บางทีก็ก็ไม่ดีอีกในการที่เราต้องเดินมีการผ่อนคลายเป็นต้นด้วยกลางวันไม่พกผ่านกลางคืนเงียบสงบไม่มีเสียงอึกระทึกนะครับ เพราะการได้กรรมาฐานใดๆโดยเฉพาะเล่นสมาธิทั้งหลายเนี่ยนิมิตจะหลุดได้ง่ายเนาะ เ, ออเดี๋ยวนี้ไปๆมาๆนะครับบางทีในป่าเนี่ยเสียงดังจริงๆครับเวลาเสียงชาวบ้านขนาดห่างเป็นห้ากิโลสิบกิโลโอ้ยบางทีเขาเล่นเครื่องสูงเครื่องเสียงกันดังก็ไปในป่าผมเคยไปอยู่เที่ยวเชียงรายนะครับเวลาไปอยู่ในป่านะครับโอยทาไมตอนช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลอะไรต่างเนี่ย หนีขึ้นไปอยู่บนป่าเป็นสิบสิบกิโลเนี่ยยิ่งดึกเสียงยิ่งชัดครับเขาร้องเพลงแล้วเสียงมันมากระทบตึงตึงตึงตึงพ้าที่ไปด้วยบอกพ้าจานไม่ไหวแล้ว ถ, ถามทำไมไม่รู้จะอยู่ ม, มุมไหนเลยเสียงชัดโดยเฉพาะมียอมผู้หญิงร้องเพลงเสียงแหลมปี๊ดเลยแทงเข้าไปในหแล้วเขาบอกกับผมนั่งก็มาถ า, ากนก็ว่ากันนั่งไปนั่งมาเนี่ยจําเพลงได้เลยก็ว่ากั้นนัเนี่ย แล้วก็ร้องซ้ํำๆเป้คนเมาเล่านะครับมันก็ร้องเพลงซ้ํายังไหมร้องเพลงไม่กี่คํำมันร้องกับเพลงอะไรลงมเนี่ยจําได้จนทุกวันนี้มันมินผู้หญิงร้องเพลงว่าพกพกเมียมาด้วยหรือเนี่ยเออมันได้ยินจนชัดเลยเออเนี่ยพาก็มามามาเล่าไอ้ฟางว่าโอ้โหว่าดูมันร้องอย่างนี้ทั้งคืนเลยคนเมาก็ร้องเงี้ี่ยลักษณะ่งนี้เป็นอันตรายนี่มิดหลุดเลยครับ ไอกรรมฐานที่ได้สมาธิที่ได้แต่กสารสรั้นเซนอะไรนี้ฉะนั้นไม่มีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือ้อยคานมากระกบกครับเอออันตรายเหมือนกันนะครับเวลามีสัตว์เ อ, อ่ยมีพวกเหลือบเ อ, อ่ยมียุงเ อ, อ่ยลมเ อ, อ่ยแดดแรงแรงทัง้งหลายอะไรเนี้ยกรรมฐานไม่อยู่ครับเออเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้องดูแล้วก็ ประการต่อมาภิกษุผู้เพียรปฏิบัติที่อยู่ในเสนาสนะนั้นน่ยได้รับปัจจัยสี่นะครับที่โยนใส่เครื่องนมยาได้ง่ายคือมีกีวรบ้างอาหารบ้างเสนาสนายารักษาโรคยามเจ็บป่วยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยได้รับความสะดวกพอสมควรนะครั บ, รบประการที่ห้าก็คือว่าพระเถระผู้มีความรู้มีกัลยาณมิตรเนี่ยจำแม่นในคําสอนทรงธรรมทรงสุตตะด้วย ทรงสูตรท่านใช้คําว่าสุดตะในที่นี้ทรงธรรมในที่นั้นน่ยคือทรงอะไรรู้ไหมทรงพระสูตรแล้วก็ทรงพระวินัยเออไม่ใช่ทรงพระสูตรกับทรงพระวิธรรมคําว่าทรงธรรมอะทรงปริยัติแม่นยําก็คือทรงธรรมะเนี่ยธรรมะแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนของพระสุตตันตปิฎกกับอภิธรรมปิฎกแล้วก็ทรงวินัยแล้วก็ทรงมาติกาด้วยนะครับมาติกาก็คือหัวข้อของพระสูตร หัวข้อพระปิรรมแล้วก็หัวข้อพระวินัยอยู่ในเสนาสนะนั้นนะภิกษุเข้าไปหาท่านเหล่านั้นแล้วตามการอันควรแล้วก็ไปสอบถามว่าท่านคราบเงี้ยเวลาเข้าไปบทนี้เป็นอย่างไรโดยสัมพันธ์กับบทหน้าและบทหลังอย่างไรความหมายของบทนี้คืออะไรท่านเหล่านั้นก็ย่อมเปิดเผยข้อความที่ยังไม่เปิดเผย สามารถจะอธิบายได้อย่างชัดเจนก็ว่างั้นเลยบรรเทาความสงสัยในธรรมะในพระบาลีที่น่าสงสัยเข้าใจยากได้เป็นอันเกนานานประการก็คือชี้แจงได้อธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนก็ว่างั้นถ้าเจอครัวอาจารย์อย่างนั้นก็เข้าไปหานะครับเข้าไปหาท่านเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นการยาณมิตรในการที่จะสามารถทําให้เราได้ได้สิ่งที่ดีงามในการที่จะอยู่กับท่านเหล่านี้เป็นต้นเหล่าเนี้ น, นันนันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าการที่เราจะเข้าไปอาศัยทีนี้กรณีแห่งการผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้เมื่อผู้ปฏิบัตินะได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องได้กําลังใจจากอาจารย์หรือจากกัลยาณมิตรแล้วก็จะประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างดีนั้นการเข้าไปหาพระเถระกล่าวเพื่อไต่ถามสอบถามก็คือการสอบอารมณ์นั่นแหละ ทั้งนี้เพราะว่าสัมมาทิฏฐิจะได้รับการสนับสนุนจากองค์ห้าประการใช่ไหมครับจึงจะเจริญก้าวหน้าได้หนึ่งศีลศีลเหมือนอะไรครับบุคคลที่เจริญศีลไม่ว่าจะเป็นเจราณาศีลเจรศิษยศีลสังวรศีลหรือปาฏิมโมกข์สังวรศีลเป็นต้นเหล่านี้เหมือนรั้วกัน้นไม่ให้สัตว์เข้าไปกินพืชในนาฉะนั้นถ้าคนเจริญศีลปุ๊บเนี่ยแปลว่ามีอะไรมีรั้วแล้วมีรั้วกัน้นกระแสชีวิตทําให้กระแสชีวิต ปลอดภัยแล้วเหมือนคนมีนานะครับถ้ามีรั้วกัน่นปุ๊บแปลว่าวัวควายหรือสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่ไปรบกวนนานั่นแล้วศีลจึงเ ป, เปรียบสเสมือนรั้วส่วนความรู้ที่เป็นสุตตะเหมือนอะไรครับสุตตะ สุตวาริยาสาวโกมีสุตตะของพระรยาเจ้าได้ยินเสียงกระซิบของพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงกระซิบของพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงกู่เรียกของพระพุทธเจ้าตลอ ด, ดเวลาเหมือนอย่างนั้นนะครับเหมือนการรดน้ําเหมือนการรดน้ําต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นเอาการสนทนาธรรมตามการเนี่ยสนทนาธรรมทุกวันเนี่ยเย็นๆอย่างพวกเรามานั่ง รวมกันแล้วก็มาสนธนาธรรมะอย่างนี้เหมือนอะไรครับเหมือนการพรวนดินครับเหมือนการพรวนดินนะครับสมถะที่เรากำลังฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นเอกคตาจิตทั้งขณิกาสมาธิสมา ธ, มาธิเริ่มต้นทั้งหลายข้ามูลอุปจารสมาธิสมาธิาธที่ใกล้ขอบเขตอัปนาจะถึงอัปนาสมาธิ บรรดาสมาธิทั้งหลายที่เป็นตัวผนึกที่ทําให้จิตมีพลังจิตใสสะอาดจิตผ่องแผ้วจิตไม่มีมวลทินสมาสมัฏฐานหรือสมาธิเหมือนอะไรเหมือนการกําจัดสตรูพืชใช่ไหมฮะเหมือนการกําจัดสตรูพืชในเวลาสมาธิเกิดแล้วนิวรหายไหมครับนิวรธรรมมีกาเมชันท่าพยาบาทีนะมีท่าอุทธจักุ ก, กุจาวิจิกิจชาหายกเกลี้ยงเลยส่วนวิปัสสนาเหมือนอะไรครับ เหมือนการปัดกวาดอยากใย่เพื่อทำให้ต้นไม้ได้รับอากาศและแสงแดดเพียงพอนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถามว่าสัมมาทิฏฐิคือวิปัสสนาได้รับการสนับสนุนจากองค์หประการจึงจะเจริญก้าวหน้าเป็นต้นได้ศีลเหมือนรั้วกัน้นไม่ให้สัตว์เข้าไปกินพืชในนาความรู้ที่เป็นสุตตะ เปรียบเสมือนการรดน้ําการสนทนาธรรมะทุกวันธรรมสากะฉาเหมือนการพรวนดินนะครับสมถะเหมือนกับการกําจัดศัตรูพืชของนานั้นวิปัสสนาเหมือนการปัดกวาดหยักใยเพื่อให้ต้นไม้ได้รับอากาศและแสงแดดที่เพียงพอสรุปก็คือว่าทั้งศีลทั้งสุตตะการการฟังธรรมทั้งสมถะวิปัสสนาเกื้อกูลไหมครับเกื้อกูลต่อการ จเจริญหรือการจเจริญภัยบูย์งอกงามของผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้บอกว่าอีธาพิโกเอสัมมาทิฏฐิเป็นต้นบอกภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฐิคือวิปัสสนาสัมมาทิฐิปัญญาที่เห็นชัดตามความเป็นจริงในพระธรรมวินัยนี้ได้รับสนับสนุนแล้วด้วยดีคือด้วยศีลด้วยความรู้คือสุตตะดยการสนทนาธรรมะ โดยสมถะและโดวยวิปัสสนาแล้วสมาธิทิอันประกอบด้วยองค์ห้านี้สนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตตคือสมาธิที่ประกอบอกับมรรคผลนั่นแหละเป็นผลมีเจโตวิมุตตเป็นพรารณีสงคือมีปัญญาวิมุตตคือผลลญาณเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นภารณีสง นี่เป็นต้นฉะนั้นคําว่าพระโหตสุตตาเนี่ยผู้มีความรู้ผู้ทรงสุตตาคือได้ฟังพุทธพจน์มีสุตตาเคยย่วยาการณาคถาอุทานิทธิวุตกาเป็นต้นอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็คือองค้าวในพระไรพิดกนี้ไม่ต้องไปเจาะลึกขึ้นขนาดนั้นเนาะฉะนั้นบุคคลที่มีสุตตาหรือมีข้อมูลมีการสั่งสมข้อมูลของพรริ ย, ยาเจ้ามาดีก็ได้เปรียบทีนี้ หลังจากตัดปริพอดกังวลแล้วได้องค์ได้คุณสมบัติในการที่จะฝุดผลที่จะเจริญเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็คือตัดเครื่องกังวลเล็กๆ น, น้อยๆเครื่องกังวลเล็ก น, น้อยๆก็เรียกว่าขุดท ก, กะปริโภดนะนะก็แปลว่าอะไรแปลผู้เพียรปฏิบัติที่อยู่ในวัดสถานที่ที่อันเหมาะสมแล้วเนี่ยควรตัดเครื่องกังวลเล็กน้อยที่มีอยู่คืออะไรบ้างอะโกนผมตัดเล็บโกนหนวดเคราที่ยาว หรือทําการปะชุนจีวรเย็บจีวร ย, ย้อมจีวรถ้าบาดมีสนิมก็ระบมะเสียชําระเสนาสนามีเตียงต่างเป็นต้นให้สะอาดทำเบ็ดเสร็จแล้วทีนี้เครื่องกังวลไม่มีแล้วพอเครื่องกังวลไม่มีแล้วปลอดปลโปร่งเบ่าอยังโร่งเบาเหมาะสมที่จะเจริญกรรมาฐานต่อไปก็วิธีการเจริญภาวนาแล้วก็คืออย่าทําภาวนาวิธีทุกอย่างให้บกพร่อง พึงเจริญว่ากันก็คือเจริญกรรมฐานทีนี้ในเรื่องของการเจริญกรรมฐานนี่แหละเป็นหลักการที่เราท่านทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจให้ชัดพอจะชัดเจนหรือยั ง, อยงตอนนี้คุตตการปริพโค์ที่บอกไปนี่ก็คือทาให้ให้หมดจดตัดผมหนวดเขา่าเช็ดถูเตียงต่างทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น ทีนี้หลักการก็คือว่าพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนทั้งเคริหัสและบรรพชิตเนี่ยมีความประสงค์อยากจะเจริญสมถกรรมฐานโดยการเพ่งปฐวีกสินเป็นต้นก็ต้องจัดหาดินแล้วมาทำเป็นองค์กสินแล้วอันนี้ขั้นตอนวิธีการทำโดยเลือกใช้ดินที่มีสีอรุณและมีความเหนียวพอประมาณ mm hmm. เพื่อจะได้ทาให้จิตใจนะั้น แจ่มใสชุ่มชื่นและเบิกบานแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไปปะพนกับสีอื่นด้วยนะทําไมต้องเอาสีเอาสีอรุณเหลืองๆหน่อยใช่จะได้ไม่เป็นไปปนกับสีอื่นพวกนีลก้ลักสินเออยีตากรสินโลอยตาโอคาตาตาพวกสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวเนี่ยเสร็จแล้วก็จัดมาเก็บเอาสิ่งโสกปลกออกสิ่งโสกปลกที่ติดอยู่ในดินเอ อ, อกให้หมด เห็นว่าดินมีความสะอาดดีแล้วเรียบร้อยแล้วก็ค่อยนำมาผสมกับน้ำทำการขยำนวดเข้าครึงไปมาจนกว่าดินนั้นจะละเอียดอ่อนสะอาดหมดจดจากฝุ่นละอองที่มีอยู่ที่แปดเพอนแล้วก็คลึงแผ่ไปให้เป็นผนแกวงกลมประมาณหนึ่งคืบกับ4นิ้วหรือ4ี่องคุลีนี่แหละ แล้วก็เอาสีเขียวหรือขาวเนี่ยมาทารอบๆอบนอกไว้ <c oughs> ทาไว้ทำไมทำเป็นวงกลมเป็นขอบเนาะแล้วก็ก็คือว่าทำทาให้งามทำให้สมดุลใครเคยทำไหมเนี่ยพูดเงี้ยขออภัย เคยไหมลุงน้าเคยไหมครับไม่เคยเลยนะกสิลมาลายาหลังนี้ไม่ค่อยนิยมทำกันทีนี้ถ้าต้องการที่จะทำองค์กสินให้เล็กหรือใหญ่กว่าที่กำหนดแล้วก็ได้คือจะให้เล็กไปอีกทักประมาณ 2-3 ส, สนิ้วก็ได้หรือให้ใหญ่ประมาณ 4-8 งดองคุลีหรือนิ้วก็ได้ทางนี้ถ้าหากว่าองค์กรสินนั้นเล็กก็จะทำให้จิตของผู้ปฏิบัตินั้นนะ่ตั้งมั่นอยู่กับองค์กรสินได้เร็วและอุกานิมิตไอตัวนิมิตติดตาก็จะติดได้เร็วจนถึงเป็นปัจจัยต่อปฏิภาคคนิมิตก็คือนิมิตที่ชัดขึ้นเนี่ยนะ ทั้งสองอย่างนี้ปรากฏได้เร็วเชื่อเดียวกันแต่สําหรับจิตใจของบุคคลที่ไม่สู้จะกว้างขวางนักคือสมาธิไม่ค่อยจะมีกําลังแรงเนี่ยถ้าองค์สินใหญ่จะทําให้จิตของผู้ปฏิบัตินั้นเน่ยตั้งมั่นได้ช้าเพราะจิตตั้งมั่นได้ช้าไอ้ตัวสมาธิที่เป็นอุกหาหนนิมิตหรือปฏิภาคนิมิตทั้งสองอย่างก็ปรากฏได้ช้าเช่นเดียวกันแต่สําหรับบุคคลที่มีจิตใจ บุคที่กว้างขวางยิ่งก็หมายความจิตที่มีพลังก็จะสมาธิมีกำลังแรงเาฉะนั้นสำหรับองค์สินที่ใช้เพ่งอยู่เนี่ยโยคีหรือพระโยคีจะต้องทำการเคารพนะครับเมื่อได้มาเคารพนับถือให้เหมือนว่าการเคารพพระบรมสารีริกธาตุ น, นะครับเอามาเขากราบนะครับ เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จุดต้องมีความเคารพครับนอบนอบ้อมให้สังเกตดูนะคนที่จะเจริญสมาธิได้ดีเป็นคนที่มีศรัทธาคําว่าตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นปัญญาตัศโรของวัฏฏฐาคตแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลตสตัศโรชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา8จารณะสิบห้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้นอะไเนี้ย คือจะต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระริยสงฆ์ฉะนั้นเวลาทําดวงกสินขึ้นมาอู้หเคารพมากเหมือนประดุดดังพ่อป ร, รมาสารีเทกธาตุเลยครับเพราะสิ่งเหล่าเนี้ที่จะเป็นปัจจัยทําให้สมาธิของตนเองตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเป็นต้นเหล่านี้แม้จะเจริญกรรมฐานทุกกรรมฐานต้องมีความเคารพเลยครับเหมือนที่บอกว่าเวลาจะเจริญอานาปนสตินกราบผ้าไหว้ผ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเบรรียดเสร็จปุ๊บ เสมือนหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนศีรษะเลยนะครับเวลาเจริญกรรมฐานโอ้ขนาดนั้นเลยครับฉะนั้นคนที่มีความเคารพมีความนอบน้อมในการเจริญกรรมฐานเนี่ยจะเป็นคนประสบความสําเร็จครับคนที่จิตกระด้างเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จสักลายเลยครับเคารพเห็นไหมทําไมเขาถึงกราบดินที่ทำนะเขาไม่ได้มองเป็นดินนะครับเขามองว่าเป็นพระเป็นพระบ ร, รมสาวเลยนะที่กธาตุเลยครับ แล้วเพง่งตรงนี้โอ้ยเหมือ น, นเห็นคุณของพระเจ้าเลยครับเห็นคุณของพระเจ้าในดินนะั้นไม่ใช่เป็นดินธรรมดาแล้วเป็นดินที่ทําขึ้นมาด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมในขณะที่ทําก็ทําด้วยความละเอียดอ่อนประณีตวิจิตบรรจงนะครับจิตใจมีความเคารพมีความนอบน้อมมีความร่าเริงมีความผ่องใสมีความเชื่อมั่นจริงๆครับนี่เป็นอย่างนี้นนคนที่เขาเจริญกรรมาฐานสภาพจิตเขาเบาเขาเขาเขาเบาในลักษณะอย่างนี้ ฉะนั้นเ่แล้วก็ต้องมันดูแลพิทักษ์รักษาเช็ดถูให้สะอาดไม่ให้ฝุ่นละอองทุลีใดๆนะมามาแปดเปื้อนเลยเหมือนกับการรักษาพราะพุทธรูปเลยครับฉะนั้นถ้าไปดูในห้องกรรมฐานหรือในดวงกรสินของพระสมัยยุคก่อนเนี่ยโอ้ยเขาเคารพมากนะครับวางไว้ในที่ที่เหมาะ เ, เสมอกับตานะครับนั่งเขาเคารพของเขามาก หล then, so <se> it, uh, ังจากนั้นก็ปิดเขาไว้แล้วก็ค่อยเปิดมาเพ่งเนี่ยนะครับเขาทำจริงๆเมื่อพระโยคีบุคคลเนี่ยจัดการทำกะสินเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อแต่นั้นก็พึงแสวงหาสถานที่ที่ห่างจากหมู่คณะหรือเสียงต่างๆจะเป็นภายในบริเวณบ้านหรือภายนบริเวณวัดตามเลือกสวนไร่นาป่าเขาก็ได้เป็นสถานที่ที่เงียบสงัดสะดวกสบายแก่การที่จะเข้าไปพักอาศัย แล้วก็เริ่มต้นลงมือปฏิบัติต่อไปการลงมือปฏิบัติเพ่งปฐวีกษสินต้องตั้งองค์ปฐวีกษสินไว้ที่จมเพาะหน้านะครับโดยไม่ให้สูงไปหรือต่ำไปจากสายตานะครับต้องให้อยู่พอดีนะพอดคีคือนั่งแล้วรู้สึกตัวเราตรงสบายๆนะครับ <c oughs> ไม่ห่างนะถ้าหากตั้งสูงไปก็จะต้องเห็นหน้าเพ่งดูใช่ไหมครับ ถ้าตามไปก็จะก้มหน้าเพ่งดูซึ่งก็จะทําให้ตนได้รับความลําบากในการเพ่งดูด้วยครั้นเมื่อจะเข้าไปนั่งขสมาธิในการเพ่งก็จงนั่งภายในหัตถบาทหัตถบาทก็คือประมาณศอกกับคืบหนึ่งศอกกับคืบหนึ่งซึ่งไม่ใกล้และไม่ไกลจากองค์กระสินเพราะว่าถ้าหากว่านั่งใกล้เกินไปจะทําให้การเห็นปริมาณมวล น, นของกรสินนั้นไม่ชัด ถ้าหากว่าใกล้เกินไปก็จะทำให้แลเห็นรอบรอยนิ้วมือบ้างของหรือรอยไม้ที่ใช้ทำการกดคลึงดวงกระสินนั้นได้อย่างชัดแจ้งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นอุปสรรคแก่สมาธินะคือทำให้สมาธิหย่อนไปทั้งในขณะที่กำลังเพ่งอยู่และเมื่อเวลาที่อุกานิมิตรนะปรากฏด้วยเหตุนั้นแหละเวลาอุกานิมิตรปรากฏมันจะมีริ้วรอยนะครับ เลี้ยวลอยยังก็อยู่ในระยะที่พอสมควรนะครับแต่บางทีระยะแบบนี้ก็อาจจะบางคนอาจจะต้องห่างหน่อยเล้ยหน่อยให้ดูที่ตัวเองเห็นแล้วเหมาะเหมาะสมกับ ส, สายตาด้วยนะครับบางคนสายตาสั้นสายตายาว ก, ก็ไปดูรายละเอียดทีหนึง่งนะอันนี้เป็นต้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็ดูความเหมาะสมนะครับเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะครับภายหลังจากที่ได้ได้นั่งลงอย่างเรียบร้อยแล้วต่อแต่นั้นก็จงเริ่มปรัรับความพอใจนะครับ ความพอใจนั้ น, น, นภาษาภัคเรียกทำกุศลและฉันทะมีใจรักทำใจรักแท้ให้เกิดขึ้นนะครับรักในสมาธิสิกขารักในศีรษะสิกขารักในปัญญาสิกขาแล้วก็รักในกสินนั่นนะครับประดุดดังว่าพระบรมสารีริกธาตุโอ้มีใจรักครับคือเมื่อมี ความพอใจใจรักจะได้มาถึงซึ่งฌานที่จะทำให้ตนได้พ้นจากกามาชันทาพยาบาททีนมิทาเป็นต้นเหล่านี้ประดุดังแลาได้อุปกรณ์แล้วได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราจะพ้นจากอุปสรรคภายในเพจคาดภายในค่าศึกภายในเนี่ยอันตรายภายในคือราคะเป็นต้นเหล่านี้ก็ด้วยวิธีการอย่างนี้นี่แหละรมาั้นเ เราจะออกไปจากกรรมต่างได้ก็เพราะอย่างนี้นี่แหละอันเป็นตัวฉันทะที่ประกอบไปด้วยเนคขมมะสังกับปะนะครับคือใจที่น้อมออกจากกรรมนะครับแล้วก็เพ่งพิจารณาก่อนที่จะเพ่งในพิจารณาอะไรก่อนพิจารณาพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังกคุณคเพ่งไปขนาดไหน ให้นึกถึงคุณของพระเจ้าว่ากว่าเราจะได้กรรมฐานนี้มาพระุทเจ้าบำเพ็ญบรารมีมาสี่ยสงงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับกว่าจะได้กรรมฐานนี้มาพระบรมศาสด า, าต้องหมุนกองล้อธรรมจักรที่ไปสิปัตนาบริกทายวันท่านอญยาโกนัญญาได้ดวงตาเห็นถมนีพิจารณาเกิดปราโมดปีตีปัสสทิสุขนะครับให้ใจชุ่มชื่นในคุณของพระเจ้าในคุณของวัฒธรรมในคุณของพระดยสง่งห์ เขาให้ทำแบบนี้นะวิธีการอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปนั่งเพ่งปึ๊กๆเลยนะไม่ได้เรื่องหรอกครับตกมาตายหมดเลยต้องระลึกถึงคุณของพระเจ้าบําเพ็ญบารมีมาอย่างไรเป็นผ้าอาหารเป็นพุกไรจากกิเลสเชื่อมแน่นในพระเจ้าไปเสร็จแล้วก็เชื่อมั่นในพระธรรมคุณพระธรรมคุณนี้พระเจ้าแสดงเสีและสิกขาเชื่อมั่นที่เราทํำสิ่งเกิดขึ้นจริงเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาตอนนี้เรากําลังจะบําเพ็ญสมาธิสิกขาให้เกิดขึ้น เชื่อมั่นในปัญญาศิกขาศินสมาธิปัญญาศิกขาสามนี่แหละเป็นทางดําเนินนําหมู่สัตว์ให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์จะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้ก็ด้วยสิกขาสามนี่แหละเห็นพระธรรมคุณคือศิกขาสามเชื่อมั่นว่าสิกขาสามประชุมในกระแสชีวิตของพันธัญญาโกลธัญญาวปัปปาพัทธิยะหมานามาสชีเป็นต้นภาษาริบุตรพระโมคคารนาภาอนนท์เป็นต้นหมู่พระฐานตาเจ้าทั้งหลายพระริยาบุคคลทั้งหลายท่านได้เข้าถึง ธรรมคุณโดยการฟังจากพุทธคุณแล้วก็เป็นหมู่อริยสงสาวะของพระพุทธเจ้าตอนนี้เรายังเป็นปุโรชชนอยู่เรากำลังเดินตามรอยบาทพระศาสดาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมในมูออริยสงฆ์ล้วก็จะฝึกฝนตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเขาถึงความเป็นพุทธะ จากบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความงามของธรรมะในระดับศีลสมาธิปัญญาเราก็จะต้องทํากระแสชตของตอนเองให้เข้าถึงความงามในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นให้ได้เรายังเป็นปุนออรุชนผู้มืดบอดเราจากเป็นบุรุชนจะเข้าสู่ความเป็นอริยสังฆเดินตามรอยบาตร菩萨าสดา้ายจงได้ อ, อู้พวคิดอย่างเงี้ยปราโมทเกิดหรือยังปีติเกิดยังยังปัจสถานุสุขสมาธิก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะจากนั้นก็ทําการแผ่เมตาก่อน แผ่เมตตาเพศสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์มีเทวดาเป็นต้นพอสมควรแล้วแผ่เพื่อไม่ให้ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะได้ไม่เป็นเป็นอุปสรรคแก่การบังพืชปฏิบัตินะครับใช่ไหมหมู่สัตว์ทั้งหลายจะได้ไม่เบียดเบียนเห็นไหมรอบครอบไหมทําให้รอบคอบปุ๊บเลยทีนี้แล้วจึงมาพิจารณาน้อมใจมาพิจารณาถึงตนเองว่าคนนี้ ตนเองนี้มีความตายเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยตนเองให้พ้นจากบรณภัยชาติภัยชร า, าพิไยัยมรณะภัยทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นก่อนที่ความตายจะมาถึงตนเองตนเองจาเป็นที่จะต้องเพียรพยายามขวนขวายทําที่พึ่งให้กับตนเองให้จนได้ให้จงได้พร้อมกับมีความคิดว่าการปฏิบัติโดยการเพ่งกสินเป็นต้นนี้ เป็นวิธีปฏิบัติของบัณฑิตทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพรพุทธเจ้าตลอดถึงพระอรหันตสาวกเป็นต้นและท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็ได้พ้นแล้วจากชาติภัยชาราภัยพญาทิภัยว ร, รณภัยพ้นจากวัตทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นั้นแล้วก็เพราะอาศาัยให้การเพ่งกรสินเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละดังนั้นการที่ตนเองจะพ้นจากภัยในสังสารวัฏ มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นได้ก็โดยอาศัยการเจริญสมาธิเป็นบาดฐานอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็จงยกมือขึ้นทำการอัญชิีนอบน้อมแก่องคสินนั้นแล้วก็ทำการเพ่งดูพร้อมกับแผ่ใจตลอดทั่วภายในขอบเขตขององคสินอย่าได้ใช้สายตาเพ่งดูหรือใช้ใจไปจดจอ่อแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้มองทั้งหมด ทั้งหมดขององค์สินนั้นเมื่อทําการแผ่ใจไปทั่วๆอย่างนั้นแล้วก็จงอย่าได้ไปสนใจกับสีของปฐวีกสินที่มันเป็นองค์กสินเพราะสภาวะลักษณะของปฐวีแล้วก็อย่าไปใส่ใจลักษณะที่แข็งลักษณะที่อ่อนแต่อย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ทําการเพ่งสีแต่เราเพ่งกสินแต่กาลังทาการเพ่งปฐวีคือดิน ปัทวีกสินอยู่ทั้งไม่ต้องไปทำการพิจารณาถึงปรมัตว่าโอ้ยนี่มันธาตุดินธา ต, น, าต น, น้ำลักษณะแข็งอ่อนไม่ต้องหากแต่ตั้งใจเพ่งอยู่เฉพาะแต่บัญญัติว่าดินดินดินดินเนี่ยด้วยเหตุนั้นแหละผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรไปสนใจในสีของปัทวีหรือไปสนใจสภาวะประมัตคือลักษณะที่แข็งเป็นต้นของธาตุดินเป็นต้นเหล่านี้ อ่ามันก็เป็นอีกกสินหนึ่งไปเยนี่เรากาลังเพ่งดินอันนั้นเป็นเป็นสีนิลกสินไม่ไม่เอาตอนนี้เรากําลังทาเรื่องปัททวีกสินคือดินทีนี้ในขณะจิตใจในขณะนั้นต้องทำฉันท่าคือความพอใจมีใจรกักอย่างแรงกล้ามีความอิ่มใจตั้งมั่นอย่างจริงใจ รู้จักคำว่ารักแท้ไหมจริงใจในองค์สินให้เหมือนกับว่าเขาเขาูดอย่างไเนยะในตำลาบางแห่งบอกว่าให้มีใจรักเหมือนเสือที่กำลังกินเนื้อเต่ากำลังกัดเนื้อเต่าออกจากกระดองเต่ากินไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนะกินให้ใจใส่ใจขนาดนะั้นที่กำลังดึงดูดเอาอแต่เฉพาะเนื้อเต่าออกจากกระดองเตา ตั้งใจอย่างนั้นนหรือเอาอย่างไรดีเหมือนกู้กลับระเบิด <c oughs> เหมือนกำลังกู้กลับระเบิดเลยครับจดจอ่ออุทิศกายอุทิศใจถามว่าคนที่เขาไปกู้กับระเบิดเขาคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงใครไหมตอนนั้นจิตจด จ, จ, อ จ, อ จ, อจอ่อไหมครับจดจ่อหรือไม่จดจ่อจดจ่ออุทิศกายอุทิศใจมองบอ ก, บอกถ้าไม่ประสบความสำเร็จ เราตายจากเราจะต้องตายแล้วก็ตกไปในสังสารวัฏเราจะต้องเจ็บปวดจะต้องไปตายบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆถ้าเราประสบความสาเร็จเราจะพ้นจากการตายวัด <c oughs> ใจขนาด น, นั้นถ้าทาอย่างนี้ชัดไหม <c oughs> นั่นแหละเมื่อกำลังเพ่งอยู่ก็จงลืมตาดูอยู่อย่างธรรมดา อย่าลืมตาให้โตเกินไปหลีตายเล็กเกินไปนะพร้อมกันนั้นจงใช้บริกรรมบอกว่าปฐวีปฐวีหรือดินดินดินดินดินเป็นระยะระยะนะครับไม่จำเป็นต้องบริกรรมโดยไม่หยุดหย่อนแต่ให้ใช้ใจนะเพ่งนะครับเป็นตัวสื่อนาใจให้เพ่งดินดินซึ่งจะทำให้กลายเป็นการเสกคาถาต้องระวัง บางทีเป็นเศกถาท่องปฐวีปฐวีปฐวีปฐวีปฐวีปฐวีบางคนเหมือนท่องไม่เอาไม่เอาเหมือนเสกถาเพราะเราต้องการใช้ใจเนี่ยเข้าไปเพ่งใช่ไหมให้เป็นสมาธิและจงพยายามลืมตาบริกรรมให้มากที่สุดที่จะมากได้ส่วนการหลับตาบริกรรมนั้นจงใช้ในบางครั้งบางคราวนะครับลืมตามองมองมองมองมองให้มากให้จําได้จริงๆนะครับเนี่ย ทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอกขานิมิตนิมิตติดตาจะเกิดขึ้นพอหลับตาแล้วเห็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยละเอียดไหมเนี่ยพูดอย่างนี้หวังว่าคงทำได้นะฮะเพลงะพุทธลู <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงพุทธโรปที่เพลงดดวงกสิณเดี๋ยวถ้าจะเพ่งพุทธโรบเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับอันนั้นว่ากันอีกทีวิธีป้องการอุปสรรคที่เกิดจากการในระหว่างที่นิมิตยังไม่เกิดมีโอกานิมิตเป็นต้นไม่ปรากฏทำไงที่นี้ในระหว่างที่กำลังเพ่งดูตัวองค์ปฐวีกสิณอยู่นั้น ในการบริกรรมอยู่นั้นนะ่ะผู้ปฏิบัติก็มีความต้องการให้อุคานิมิตเกิดใช่ไหมเ ร, เร็วที่สุดแต่อุคานิมิตนั้นนะ่ะไม่ปรากฏตามความประสงค์ฉะนั้นเนี่ยจิตของผู้ปฏิบัติก็จะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกท้อใช่ไหมเมื่อจิตรู้สึกเหนื่อยหนักท้อแล้วร่างกายก็พลอยอ่อนเพียไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ ต่อมาอะไรตามมาพอเหนื่อยหนักขึ้นมาไอ้ตัวทีน้ำมิทาเริ่มเซ็งเริ่มเบื่อจะตามมานะครับตีน้ำมิทานิวรณก็ได้โอกาสครอบงำก็ทําให้อยากจะหยุดพักไม่อยากที่จะทําต่อหรือไม่ก็อยากจะไปทํากิจอื่นอยากจะไปกวาดบางอยากจะไปเก็บบางอมมาเยอะไปเลยตอนเนี้ยเคยเป็นไหม คือประเด็นจริงๆเนี่ยเขาเอาว่าให้ได้นิมิตเป็นหลักเขาไม่ได้จำกัดเวลา เ, เขาต้องการอยากจะทำให้นิได้นิมิตติดตาติดใจนั่นเป็นหลักบางทีก็โอ้เวลเพ่งๆไปโอ้อยากจะไปสวดมนต์บ้างอยาไปทำกิจต่าง ๆ, ๆบ้างอันนี้ตรงเนี้ยมันมาแทรกเข้ามาที่เป็นปริพศต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็เตือนตัวเองว่า บอกว่าไม่วันใดวันหนึ่งความตายก็จะต้องปรากฏแกเธออย่างแน่นอนตอนนี้เธอยังไม่ได้สมาธิสิกขาเป็นที่พึ่งเลยยังจะมัวทากิจอะไรอยู่เล่าใช่สีและสิกขาที่เรากระทำมาบำเพ็ญมาก็ยังไม่แข็งแรงสมาธิสิกขา สิกขาคือสมาธิก็ยังเข้าไม่ถึงการที่จะเอาสมาธิสิกขามาเป็นฐานของการได้ปัญญาสิกขาย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นเราจะไปมัวห่วงเรื่องอื่นไม่ควรกับเราเลยหนีเตือนตัวเองมาเตือนอย่างนี้ปุ๊บทีน้ำมิถ้าเป็นยังไงไอเจตี่ท้อทั้งหลายนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้น นั้นในขณะที่ตนเองกำลังเพ่งอยู่นั้นก็ละจากการทารรกิจต่างๆนะละจากการทากิจต่างๆเนี่ยบริการไปปัทวีปัทวีไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนกว่าอุคานิมิตจะปรากฏนะครับการที่เพ่งเนะ่ยเป็นบริการมนิมิตอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเพ่งไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเราต้องการอยากจะถ่ายภาพเอาภาพของปัทวีกษินนั้นมาไว้ในใจ ให้ได้ทีนี้ถ้าสมมติทำประสบความสำเร็จในลำดับแรกที่ยังเป็นบริกรรมนิมิตอยู่นั่นนะบางท่านถ้าได้อุคานิมิตเร็วนะบางท่านได้ช้าเนะี่ยต้องเพียรพยายามทนต่อสู้อยู่บนนิวร น, นะครับที่เราสู้จริงๆคือสู้นิวรณ์ไอการมาฉันท้าอยากจะไปทำนั้นทำนี้พยาปาทาก็คืองดหยี ด, ดน้นงงดหยิดนี้ ทีน่ามิถะก็คือเซ็งหดโหอุเทจากุกจากับฟุ้งซ่านลาคาญใจวิจิกิจาก็ลังเลสงสัยเราจะทําได้หรือนี่ต้องสกัดไอตัวนิวร์เหล่าเนี้ยเห็นไหมจริงๆแล้วมันสู้กับไอตัวนิวร์ที่มันครอบงําเรามานานจริงๆนะครับปัญหาจริงๆก็เรื่องนิวร์นี่แหละถ้าใครชนะได้โอ้โหสุดยอดนั้นถ้าได้สมาธินิวร์อันตรธานเลยครับจะไม่ถูกนิวร์กุ้มลุมมันน่าตื่นเต้นตรงนี้แหละ ฉะนั้นสมาธิศิขาจึงเป็นสิ่งสําคัญหน่นงหนึ่งเลยนะคิดลักษณะแบบนี้ถ้าสามารถเพียรพยายามจนสามารถยกจิตหรือประชมจิตจนเป็นเอกคตาเป็นสมาธิเป็นต้นได้ปุ๊บโอกานิมิตปรากฏขึ้นได้ให้อาการณิมิตปรากฏได้ทางใจนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเพ่งปัทวีคสิน์หรือเป็นบริกรรมนิมิตอีกเลยซึ่งเป็นอารมณ์ภายนอกอีกพอได้โอการณิมิตปุ๊บ สำเร็จผลระดับแรกแล้วได้เพ่งอุคาณิมิตอันเป็นอารมณ์ที่ปรากฏในทางใจท่านี้ปรากฏในทางใจแล้วไม่ต้องอาศัยตามองดูแล้วครับตอนนั้นเนี่ยได้แล้วนะสำเร็จผลแล้วเวลานั้นความเป็นไปของปฐวีกสินที่เป็นอุคานิมิตเนี่ยกับจิตของผู้ปฏิบัติเหมือนแม่เหล็กที่มีกําลังเลยครับมันดูดฟุบติดกันดีนดเลย ใช่ถ้าได้มันดูดกันเหมือนแม่เหล็กนะเหมือนแม่เหล็กดูดดูดดูดเหล็กอีกแผ่นหนึ่งติดใจเหมือนเหมือนแม่แ ม, ม่เหล็กเลยครับดูดเอาโอคานิมิตติดเลยครับมาติดอยู่ชั้นใดจิตของผู้ปฏิบัติก็ดูดเอาดวงกสินปฐวีกสินนั่นแหละที่เป็นโอคานิมิตให้ติดแนบอยู่กับใจอย่างนั้นแหละฉะนั้นการเห็นสิ่งของอื่นๆได้เฉพาะแต่ในเวลาที่พโยคยีลืมตาดูอยู่เท่านั้น พอหลับตาปุ๊บมังเห็นไหมพอหลับตาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยดวงกสินลอยเด่นอยู่ในใจทุกครั้งเลยครับถ้าลืมตาอะไรก็เห็นของทําปกติธรรมดาแต่พอหลับตาปุ๊บเหมือนแม่เหล็กดูดไอป้ปฐวีกสินมาติดในใจแล้วแปลว่าสำํำร็จผลระดับแรกแล้วนะครับนี้ยั้นโอ้ยทิงต้องรักษาเลยทีนี้มันมันมีพลังมากครับมันจะดูดฟุ๊บมาเลยครับ ดูดฟุบติดเลยครับเป็นแม่เหล็กติดอยู่ในใจอโอ้โหเห็นชื่นใจเลยทตเนี้ยโอ้ยสำลิดผลแล้วกฮ<ะ> ก, ก็ใช่แต่ที่ต้องประคองดีแต่เนี้ยถ้าไปมัวเพลินเรื่องอื่นหลุดหายไปเลยมัน <c ười> ติดใจไงนะยนี่เป็นอยงเงี้ย<ม>เคยไหมครับเคยมีอะไรติดขนาดนั้นยังเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขานั่นแหละเป็นเหมือนแม่เหล็กติดเลยเนี่ย นั้นไม่ว่าจะไปอยู่ในเอียบอใดยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายเนี่ยในขณะที่หลับตาอยู่เนี่ยก็จะเห็นภาพปฐวีกสินที่มาปรากฏอยู่เบื้องบนลุกขึ้นนั่งก็ปรากฏให้เห็นอยู่ข้างหน้าเมื่อก้มหน้าก็กปรากฏอยู่ข้างล่างเมื่อเงยหน้าก็ปรากฏอยู่ข้างบนเนี่ยหมายถึงหลับตานะครับเหลียวซ้ายแหลกขวาก็จะเห็นปรากฏอยู่ข้างๆเดินหลับตาจงกรมก็เห็นอยู่ข้างหน้าเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ แม้ที่สุดเลือมตาอยู่ในที่มืดตอนนั้นจักกุทธวานวิถีไม่เกิด น, นะครับจะเห็นแต่ภาพองค์ปทวีกสินปรากฏอกหานิมิตเท่านั้นเขาอุปมาเหมือนคนที่กลัวผีเดินไปพบซากศพมีความจะเป็นต้องช่วยจัดแจงทำความสะอาดให้แกศพ บ, บางประการคันถึงยามเข้านอนพอหลับตาปุ๊บศพมันก็าปรากฏให้เห็น เนี่ยมันมาปรากฏให้เห็นอยู่เหมือนกันเลยก็เหมือนอย่างนถ้าใครเคยไปจัดแจงกระสบนี่จะรู้แล้วมันติดตาได้ง่ายใช่ไหมศพเนี่ยอย่างเมื่อตอนเย็นเนี่ยตอนไปเผาศพพระภิกษุเนี่ยพอดีเอ๊ขอไปดูหน่อยเอะพอไปเปิดแหมอยากเห็นดอกไม้อลัยะก็ไปดูพอดูปั๊บนี่ยังติดตาอยู่เลยเนี่ย เ, เห็นพระที่ท่านบรณาภาพนอนอยู่ในโลงพอเปิดโอ้ไปเพ่งดูดูแล้วก็ชื่นใจอ่ะ จะเห็นโอ้เนี่ยแล้วก็พยายามดูดภาพศพนั้นติดตาเลยเดี๋นี้เนี่ยติดตาโอ้โหนี่พอติดตาเปเสร็จปุ๊บก็กลับมาแล้วเสร็จแล้วแล้วงานได้ศพมาหนึ่งได้ศพมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นได้สากศพติดติดใจเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเวลาปรากฏก็จะไม่หายโอกาสนิมิตที่ปรากฏติดอยู่ในใจเนี่ย ของผู้ปฏิบัตินอกจากจะหลับลงไปเท่านั้นจึงจะไม่แลเห็นพอจิตลงะวางปุ๊บอันนี้ไม่เห็นถ้าตื่นขึ้นมาเวลาใดยังไม่ลืมตาเวลานั้นน่ะภาพขององค์ปฐวีกะสินก็จะปรากฏขึ้นใจมาแทนที่ทันทีนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้มีผลยังไงพอมีปัวปฐวีกะสินเนี่ยปรากฏอย่างนี้มีผลยังไงรู้ไหมครับ มีผลก็คือว่าทำให้ความง่วงความเกียจค้านความอ่อนแอความท้อแท้ซึ่งเป็นตัวถีนมิธาเนี่ยห่างออกไปจากใจเลยแต่เนี้ยพร้อมกันนั้นเนี่ยไอ้นิวรที่เหลือนะครับพวกตัวกรมฉันทะความติดใจใฝกรกสันความโกรธความห ง, งุดหงิดความฟุ้งซ่านความลังเลสสสงสยัยบางไปเลยครับแผ่วบางไปเลยครับ แปลว่าสมาธิได้ระดับนี่ขนาดขนาดระดับอุคหานิมิตนะครับอุข า, านิมิตสมาธิขนาดเป็นยังยังอยู่ในขอบเขตของบริกรรมมาสมาธิคณิกาสมาธิที่กําลังจะเริ่มตายเต้าขึ้นมาอุปจาระเนี่ยขนาดนั้นน่ะกลุ่มนิวรณ์ก็เริ่มเริ่มหมดบทบาทแล้วครับในใจนะครับนี่มดีตรงเนี้ยการเจริญสมะถะภาวนาเนี่ยบุคคลที่จะให้สําเร็จเป็นฌานลาภีได้บุคคลนั้นก็ต้องเป็น ปฏิสันที่ด้วยตรยเหตุนะครับตีเหตุกกับปฏิสันธีนะครับคือบุคคลนั้นจะต้องเกิดมาด้วยความไม่โลภไม่โกรธและก็เกิดมาพร้อมด้วยปัญญาในขณะเกิดนะครับเขาเรียกปฏิสันธีขณะขณะเกิดมานะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่เกิดมาพร้อมด้วยเหตุสามทำยังไงก็ไม่ได้ฌานนะครับแต่อุปจาระเนี่ยข้นขวายพอได้ข้นขวายได้แค่นิวรสสงบแต่จะพัฒนาไปจนถึงฌานในจิตนี่ไม่ได้ เพราะว่าฐานรองรับของการนำเกิดเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะทุกอย่างการฟังทุกอย่างการศึกษาทุกอย่างการม า, มานักสิการสุนทธรรมะเป็นการฝังกุศลสัญญาหรือปัญญาหรือสีหรือสมาธิหรือกลุ่มกุศลและจิตเป็นการฝังชิปไว้ในกระแสชีวิตส่วนดีที่มีค่ามาก มีค่ามากเกิดอีกชาติหนึ่งได้รับได้กระยาณนมิต้เหตุปัจจัยดีบรรลุธรรมนะครับคุณเมก็ลองดูดิกบเนี่ยฟังธรรมพระเจ้าตายจะกบแล้วไปเป็นเทวดากลับมายนีได้บรรลุใช่ไหมแล้วทั้งคราวเนี่ยห้าร้อยตัวฟังพระสวดในถรร้มก็ยังมาเป็นผู้ทรงปัญญายานเป็น สตววิหาริกของภาษ า, ารีบุตรนี้เป็นต้นเนี่ยฉะนั้นมีค่าฉะนั้นบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยฉะนั้นเน่ยจะรู้ได้ว่าบุคคลนี้เป็นติเหตุหรือไม่ก็อยู่ตรงที่ปฏิภาคคณนิมิตคือการได้นิมิตที่เป็นปฏิภาคคณิมิตและได้อปนาจิตนี่แหละส่วนการเจริญภาวนาของบุคคลนั้นก็ถึงขั้นปฏิภาคขัิมิตได้ก็พึงตัดสินว่าพระโยคีบุคคลนั้น เ, นเป็นปฏิสนธิ นะุถ้าได้ชานเนยนะทีนี้ถ้าการเจริญของบุคคลนั้นไม่สามารถได้ปฏิภาคนิมิตเพียงแต่ได้แค่อุคานิมิตเนะี่ยแล้วทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้ก็ต้องสันนิฐานนะอันนี้เป็นหลักการสันนิฐานเบื้องต้นแต่มันอาจจะมีตัวอื่นขัดขวางนะแต่มันเด่นๆก็คือว่าทำที่ทก็ได้แค่อุคานิมิต ไม่สามารถพัฒนาจากอุกานิมิตเป็นปฏิภาคอนิมิตเป็นต้นเห่านี้ได้ น, นี้ก็เป็นหลักการพิจารณานะบางคนก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับกว่าได้อุกานิมิตแล้วก็ต้องรักษารักษาให้ดีรักษาให้ดีดแล้วก็เพียรพยายามเพื่อจะทำปฏิภาคอนิมิตเป็นต้นให้ปรากฏจนในที่สุดจริงๆก็คือว่าจากอุกานิมิต เกิดขึ้นในใจแล้วก็ไม่ต้องไปเพ่งกะสินอีกแล้วแต่ต้องย้ายที่ไปที่อื่นสุดแต่จะเห็นว่าที่ไหนมันเหมาะสมเป็นสปายากรเรานะก็พักอาศัยที่นั่นแล้วก็จงเพ่งกูขานิมิตที่ได้แล้วนั่นแหละในขณะที่กำลังบริกรรมอยู่ถ้ามันเลือนหายจากไปนะถ้ามันนิมิตเลือนหายเนื่องจากวิตตกกังวลอะไรก็แล้วแต่ หรเครื่องกังวลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้กลับไปที่เดิมเริ่มต้นเพ่งองค์สิ่ที่เก็บไวใ้ใหม่มางคนหลายรอบเลยรักษาไว้ไม่ดีพอ ร, รักษาไว้ไม่ดีเนี่โอ้โหคนเนี่ยนะครับถ้าได้นิมิตแบบนี้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเพ่งจนถึงได้ปฏิภาคคณิมิตแล้วตอนนั้นน่ะสมาธิยังเป็ น, ปนอุเป็นอุปจาระอยู่สมมติเนี่ยโอ้โหต้องรักษาอย่างดีเลยนะครับ ท่านอุปมาว่าเหมือนคนท้องเลยคนท้องแล้วรู้ว่าลูกในท้องจะออกมาเป็นราชกุมารถามว่าต้องรักษาไหม <c oughs> โอ้นี่ต่อไปจะเป็นราชามากษัตริย์นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมต้องประครับประครองอย่างดีเลยนะนิมิตเหล่านี้ยต่อไปจะเป็นฐานในการเดินวิปัสสนาญาณ <c oughs> พราะจะเกหุ่แล้วกองทุกข์โอ้โ ห, โหต้องประคองมากเลยประคองยิ่งกว่าชีวิต <c oughs> เนี่ยลักษณะอย่างนั้นถ้าพยายามแล้วเนี่ยอย่างไม่ขาดสายอุคานีวิทย์ที่ถูกเพ่งอยู่นั้นก็จะมีสภาพสะอาดแจ่มใสขึ้นไอ้ริ้วเอ่ยความด่างพร้อยทั้งหลายก็ค่อ ย, อยหายมุนทินทั้งหลายก็มีแต่ความละเอียดประนีดยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วค่อยๆ่อยละเอียดเป็นไปตามลําดับจนเนื้อใสอย่างกร ะ, กะจกเลยทียนี้ จิตใจในขณะนั้นก็มีแต่ความชุ่มชื่นเอิบอิ่มไม่รู้เบื่อเลยพวนั้นเอโอคาณิมิต ท, ที่นั่นแหล ะ, ละก็กลับกลายเป็นปฏิภาคอนิมิตตอนที่เป็นแรกๆที่เป็นมหากุสุที่เป็นกาเมาจรสมาธิของบุคคลนั้นนับจำเดิมแต่เพ่งบริกรรมเป็นต้นมาตลอดจนถึงการเพ่งโอคานิมิต ย, ยังเป็นบริกรรมภาวนาอยู่ เมื่อบริกรรมสมาธิอยู่อย่างต่อนเนื่องต่อนเนื่องถึงตอนปฏิภาคมิตเกิดนั้นแหนะการมาวจรสมาธิของพโ ย, ยคาบุคคลก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกว่าอุปจาระภาณะหรืออุปจาระสมาธิด้วยอํานาจของอุปจาระสมาธินี่แหละนิวรธรรมทั้งหลายที่เกิดในใจก็จะสงบลงเลยนะครับที่ได้บอกกล่าวไว้แล้วกามาชันทะเนี่ย กรารมาฉันทานิวรในความยินดีความพอใจความติดใจในกามาคุณก็สงบไปพยาบาทนิวร์ที่ทำให้เกิดความโกรธความเสียใจกุ้มใจงดหิดก็จะอันตรธานไปทีนมิทะที่ทำให้เกิดความหดหู่ท้อถอยง่วงซึมก็จะหายไปอุทยากกกุจย า, ก, ก, จา ก, ก็จะทำความฟุ้งซ่านลาคาญใจก็จะหลุดออกจากใจเลยตอนนั้นวิจิกิจฉาที่ทาให้เกิดความเครือบแคลงลังเลสงสัย ในครัวอาจารย์ที่ทำการแนะนำสอนวิธีการปฏิบัติหรือว่าเกิดจากความไม่รู้สงสัยในศิษขาสาเปตเตอร์เหล่านี้ก็าาหายเกลี้ยงเลยเมื่อเจริญภาวนาตลอดจนปฏิภาคคิมิตรปรากฏนั่นะถ้าเป็นติกขาบุคคลนะในไม่ช้าก็จะสำเร็จเป็นชาลาพีบุคคลรูปาวัจระปฐมฌาน หรืออปนาสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแต่ถ้าหากเป็นมันทับุคคลนะที่สําเร็จ ช, ช้านะเนี่ยในระหว่างที่รูปราวจรยังไม่เกิดนั้นนะ่ะบุคคลนั้นก็ต้องมีความระวังรักษาปฏิภาคคติมิตรเนี่ยให้อย่างดีเลยว่างั้นเถอะถ้าเป็นคนที่ประเภทที่มันทัคือทําได้ช้าเนี่ยที่บอกว่าเหมือนหนึ่งที่บอกว่าพระราชนีที่กําลังทรงพระคันอันปุโรหิต ทั้งหลายทํานายว่ากุมาา น, นี้ในพระคันเนี่เป็นพระโอรสและจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตรงนั้นนะจงทนุถนอมโอรสบํารุงรักษาพระคันให้อย่างดีนะไม่ให้อันตรายทั้งหลายมามานั่นเลยพอรู้อย่างนี้พบโอ้โหแบบนี้เต็มที่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าโอ้โหเราเป็นมรนธาบคุคคลทําไม่ได้สักทีได้อุคานิมิตได้ปฏิภาคานิมิตก็จริงอยู่แต่สมาธิยังไม่เข้าถึงความเป็น อัปนาชนะเข้าถึงฌานสมาบัติให้ประคองเลยครับแล้วใส่ใจว่านี่ทําอปมาเหมือนกับพระราชินีที่ทรงพระ ค, ครันที่รู้ว่าเนี่ยพระราชโอรสต่อมาจะได้เป็นกษัตริย์ระดับเป็นจกักรพรรดิเลย ร, รักษายิ่งกว่าชีวิตถ้าอย่างเงี้ทยทาเงี้ยเดี๋ยวได้เลยครับเงี้ยไม่นานเลยจากอุปจารสมาธิที่มีปฏิภาคคณิมิตเป็นอารมณ์ก็จะเป็นปฏิภาคคณิมิต ที่มีอปปนาสมาธิเกิดขึ้นเออในคำพีวิสุทธิมาร์กมากจากคานิมิตตังรักขโตรัฐะเป็นต้นเหล่านี้บอกว่าพะโยคีบุคคลที่มีการรักษาปฏิภาคคณิมิตไว้เป็นอย่างดีย่อมไม่มีการเสื่อมจากอุปจารสมาธิที่ตนได้แล้วถ้าไม่มีการรักษาปฏิภาคคณิมิตให้ดีแล้วอุปจารสมาธิที่ตนได้นะั้นลวก็จะเลือนหายไปแล้วก็จะเสื่อม สรุปแล้วสำคัญไหมครับฉะนั้นเพื่อรักษาปฏิภาคคณิมิตปุ๊บเนี่ยก็จะต้องเริ่มหาอาวาสใช่หที่บอกพระโยคีนั้นเมื่อมีความประสงค์จะรักษาปฏิภาคคณิมิตที่ได้แล้วเนี่ยจงหาสปายะอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอันเป็นสิ่งที่อะไรที่เป็นอุปสรรคแกสมาธิอาวาสที่หลับที่นอนหมู่บ้านที่จะต้องไปบินดาบา ภาษาก็คือถ้อยคำที่จะพูดเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็บุคคลโภชนาอาหารอุตุหรื อ, อียาบทการยืนเดินนั่งนอนแล้วเสพแต่สปายะนั้นตัวที่สปายะสปายะอาวะศาอาวาัตอาสปายะและอาวาศาสสปายะที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนอันอันไม่สมควรและที่สมควรต้องเลือกแล้วอะไรที่มันจะเกื้อ ก, กูลใช่ไหม เราต้องหาอาวะศาสตรที่สัปปายะไม่ใช่เป็นหาอาวะศาสตอสัปปายะอันไหนที่มันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่เกื้อกูลตัวการที่จะรักษาปฏิภาคนิมิตก็หลีกอาวาตนั้นเสียไปทันทีเลยนะครับอย่าอยู่นะครับถ้ารู้ว่าอาวาตนี้มันจะทําให้นิมิตเราหายรีบเลยครับอาวะศาสตร์สัพพยะบุคคลที่เข้าไปพักอาศัยในสถานที่ใดนิมิต ท, ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันหายเลยสติที่ยังไม่เกิดก็ไม่ปรากฏขึ้น จิตที่ไม่สงบที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นไปต้นตรงนั้นนะให้สังเกตดูนะโอ้ถ้าไปอยู่ในอาวาสใดรู้สึกว่านิมิตที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นสติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นแหละสปายะสถานที่ที่เข้าไปพักแล้วนิมิตที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นไม่เลือนหายสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏขึ้นจิตใจที่ยังไม่สงบไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้น และมีความสมบรตั้งมัน่นฉะนั้นสถานที่นั้นจึงเป็นอาวาสสปายะไม่ว่าจะเป็นสำนักใดบ้านใดกุฏิใดเรือนใดก็แล้วแต่ท้องถิ่นใดเมื่อไปพักแล้วเนี่ยนะทดลองได้แค่ไปอยู่แป๊บเดียวก็รู้วันสองวันเนี่ยรู้แล้วโอ้ยเราก็้นิมิตจะหายแล้วสมาธิก็จะเสื่อมแล้วสติก็เลื่อนฟันเฟืองเลื่อนลงก็ย้ายย้ายหาที่สปายะโครจรคือหมู่บ้านที่ท้องถิ่นที่ไม่ควร หรือควรเข้าไปทั้งหลายเรื่องนี้ยหมู่บ้านท้องถิ่น ana, ที่อยู่จากเสนาสนะจะไปทางด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกถ้ามีแสงสวรรค์ส่องขึ้นมาส่องหน้านิมิตจะหลุดได้นะครับต้องระวังนะก็หาสถานที่เดินเลี่ยงเวลาเราเดินเดินทวนตะวันนี่โอ้โหแสงตะวันส่องส่องอุ้ยนิมิตหลุดนี่ยต้องระวังนี้สถานที่นั้นไม่เหมาะแล้วก็เดินอีกมุมหนึ่งเพื่อไม่ให้เมื่อให้นิมิตมันหลุดนี่ หมู่บ้านท้องถิ่นที่เข้าไปรับอาหารบินดบบาบัดได้อาหารมาพอเหมาะแก่การฉันโคจะระส ป, ปายะไหมก็ต้องดูว่าเออไปทางทิศเหนือทิศใต้หรือทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนันพ้นจากแสงอาทิตย์ที่จะส่องหน้าจากการกลับบินดบบาบัดก็เหมือนกันก็ต้องระวังด้วยนะตอนแรกๆนะครับที่ยังไม่พัฒนาขึ้นหรือที่ไปอยู่เกษตรนาสนะเบ็ดเสร็จปุ๊บมันเดินเป็นหลายกิโลเลยเนี่ยคมนาคมไม่สะดวกอันนี้ไม่เหมาะ ก็ไปในคมนาคมภัสสะก็คือคําพูดนะครับถ้อยคำถ้อยคำที่เกี่ยวกับเดรัชา น, นะคาฐานะครับพูดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระราชามหากษัตริย์เรื่องพระบูบงบงสานุวงศทั้งหลายแล้วก็เป็นปัญหาทําทให้จิตเราเสักเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองดีใจไม่ดีใจพูดเรื่องโจรพูดเรื่องมหาอามาตพูดเรื่องอาหารทหารตํารวจพูดเรื่องภยัยต่างๆ พูดเรื่องยุทธศาสตร์พูดเรื่องข้าวปลาเอ่ยพูดเรื่องน้ําดื่มเสื้อผ้าพูดเรื่องที่หลับที่นอนพูดเรื่องดอกไม้กลิ่นหอมวงญาติยวดยานหมู่บ้านคามนิคมต่างๆจังหวัดต่างๆชนบทต่างๆเรื่องหญิงเรื่องชายพูดเรื่องท่าน้ําพูดเรื่องวงสาคนาญาติพูดเรื่องอื่นๆทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นเะไรานี่นะพูดเรื่องอะไรใครเป็นผู้สร้างโลกไม่สร้างโลกเอยพูดเรื่องมหาสมุทร พูดเรื่องความเจริญและความเสื่อมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพูดเรื่องป่าพูดเรื่องภูเขาพูดเรื่องน้ำพูดเรื่องเกาะต่างๆสรุปก็คือคําพูดใดที่ไม่ลงสู่อริยสัจ ธ, ธ, ธรรมทั้งสไม่เชื่อมลงในพระธ ร, รรคมคําสอนของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกปฏิปทาให้เข้าถึงความดับทุกขแต่เป็นการพูดไปแล้วมันเป็นเหตุทําให้กรรมฐานที่เราได้มาแล้วมันหลุดมันเสื่อมงดเว้นจากการพูดเรื่องเหล่านั้ อันนี้ต้องต้องรักษาให้ดีนะตรงนี้เนะี่ยดีกเดรฉานกถานะครับเดราฉานนกถาหรือคําพูดที่กัดแย้งกันก็ได้เช่นในพวกเขาเรียกว่าวิคขาหิกะกถาถ้อยคําที่แก่งแย้งกันท่านไม่รู้ทำวินยัยแต่ข้าพเจ้ารู้ทำวินยัยท่านจะรู้ทำวินัยอย่างไรท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิดข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูก คำพูดของข้าพเจ้าในเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นตรงกันฉะนั้นจึงเป็นคำพูดที่มีประโยชน์คำพูดของท่านเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่มีไม่ตรงกันฉะนั้นจึงเป็นคำพูดที่มีไม่ประโยชน์คำที่ควรกล่าวก่อนท่านก็มากล่าวที่หลังึคำที่กล่าวที่หลังท่านควรกล่าวที่หลังท่านก็มากล่าวก่อนคำพูดข้าพเจ้าเพียงคำเดียวสามารถทําลายคำพูดของท่านที่ยังช่ําชองมาได้อย่างรวดเร็วท่านเป็นผู้ถูกข้าพเจ้าข่มไว้ได้ท่านยงพยายามเนี่ยการเถียงกันนแม้แต่เรื่องธรรมะวิินัยทั้งหลายก็เห็นไหม เอาสมมติเอาฟังเอ น, นี้ฟังปุ๊บมีท่านนัยก็มีการมีการไลท์ไลท์ให้คนฟังพอฟังเสร็จปุ๊บหลังจากจบจากการคุยนี้เราเถียงกันสมอขัดแย้งกันพูดจากันแล้วก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยพูดจากันด้วยความขุนมัวเศร้าหมองพูดตําหนิติติงกันพูดยกตนข่มท่านฉันรู้ฉันจําธรรมะได้คนนั้นจําธรรมะไม่ได้ โอ้ประโยชน์ไม่มีเลยครับอย่ากล่าวทําให้เป็นเหตุให้เถียงกันเมื่อากล่าวทําให้เป็นเหตุให้เถียงกันแล้วสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยเป็นตน้นจริงๆในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพุทธบริษัทเนี่ยเขากล่าววาจาที่เป็นแหล่สัมมาวาจาใช่ไหมครับเจตนาสัมมาวาจากถาสัมมาวาจาวิรัติสัมมาวาจา เจตนาสมีเจตจำนงในการที่จะกล่าวคาที่ดีที่เป็นประโยชน์กาถาสัมมาวาจาก็คือเจตนาสัมมาวาจามีเจตนาที่เป็นกุศลเป็นปร ะ, าประธานกาถาสัมมาวาจามีกุศลและจิตเป็นประธานนะครับคาพูดที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่กล่าวด้วยกุศลส่วนวิรติสัมมาวาจาคือการที่วิรติเข้ามาทำกิจสามารถที่จะ ตรัตลนเวและเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จตรัตลนเวและเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดตรัตลนเวและเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดคำหยาบตรัตลนเวและเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเพ้อเจ้อได้ละบาปได้จริงฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้วาจาที่เป็นเหตุแห่งการขัดแย้งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการ จเจริญศีน ส, สมาธิปัญญาต่อการที่จะฝึกในศีนสมาธิปัญญาด้ยนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์เลยแม้เถียงในเรื่องที่ถูกแต่ตั้งเจตนาชั่วร้ายขึ้นมาปุ๊บมันผิดตรงที่อากุศลและจิตที่มันเกิดนะครับมันอยากจะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเราเก่งเราแน่เรารู้เราไม่รู้อะไรย่นีต้องระวังนะึงฉะนั้นวิค้าหิกะคาถาเนี่ยล้วนแต่เป็นโทษไรประโยชน์ ทั้งฝ่ายด้านปริยัติด้านปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมทัทง้ทงหลายในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่มันทำลายความดีงามความเจริญของตนพร้อมกับทำลายความสมัรสมานสามัคม ค, ค, ค, ค, ค, คีของหมู่คณะอีกด้วยขั้นถึงคราวที่จะจากโลกนี้ไปก็ต้องไปสู่ทุกติอีกดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์ใคร่จะวางตนเป็นบัณฑิตเป็นสับปรุดก็ควรจะเว้นจากค่อยคาที่เป็นวิคคาหิกะคถาเหล่านั้นเสีย ให้เว้นถ้อยคำที่มันเป็นโทษเสียเราปรารถนาความพ้นจากกิเลสและกองทุกนะครับทีนี้สิ่งที่ควรพูดเขาเรียกอะไรพัสส ป, ปายะถ้อยคําที่นับเนื่องอยู่ในคาถาวัตถุ10บนะครับคาถาวัตถุก็คือถ้อยคําที่ไม่ขัดกับมรรคผลนิพพานถ้อยคําที่เอื้อส่งเสริมให้บรรลุมรรคผลนิพพานมีอะไรครับอบปิชะกะถังพูดเรื่องความมักน้อย สันตติกะถังก็พูดในเรื่องของความพอใจตามมีตามได้ในสิ่งของที่ตนได้มาโดยชอบทำปวิเวกกถังก็คือพูดเรื่องความสงบทางกายสงบทางวาจาสงบทางใจอสังสักถังก็คือพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกรรมะคุณไม่ได้พูดส่งเสริมพูดออกจากกามพูดออกจากพยาบาทเป็นต้นวิยารัมภากถังก็พูดเรื่องการปารบความเพียร ศีลกระถังกับพูดเรื่องศีลปาฏิโมกสังวรศีนเป็นอย่างนี้อินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะยัสันนิสิตศีลพูดเรื่องว่าเนี่ยกุศลศีลเป็นอย่างนี้นะครับเจตนาศีลคือกุศลจิตที่กํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปด้วยความเป็นปุถุศีนตัวกุศลศีลเกิดขึ้นมาต้องทําลายความทุศีลได้ กุศลจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริ ส, สุทธิ์กุศลศีลเกิดขึ้นด้วยความระยเกบาปความเกรงกลัวต่อบาปเป็นเหตุใกล้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความกระตันโยกตะเวทีต่อพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นแรงกระตุ้นเตือนให้กุศลศีลเกิดขึ้นเลยพูดรักในเรื่องศีลสมาธิกระถังก็พูดเรื่องสมาธิ พูด่องการมาวจรสมาธิเป็นอย่างนี้รูปาวจรสมาธิเป็นอย่างนี้อรูปาวจรสมาธิเป็นอย่างนี้โลกุตระสมาธิเป็นอย่างนี้อะไรหรือพูดเรื่องคัิการสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิแล้วก็บริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาอัปนาภาวนาพูดเรื่องภาวนาแล้พูดเรื่องปัญญาโอ้โหปัญญากถังก็พูดเรื่องปัญญากรรมสักตาปัญญาปัญญาที่ไปฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างนี้ ชาญปัญญาปัญญาที่ชาญฉลาดในการที่จะรวบรวมมีข้อมูลในการที่จะทําสมาธิเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้วิปัสนาปัญญาอู้มีหลายระดับนะตั้งแต่เห็นรูปน้ําโดยความตามความเป็นจริงเห็นสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแยกบัญญัติปรามัตดได้แล้วก็สามารถรู้เหตุปัจจัยของน้ำรูปแยกรูปแยกน้ําออกจากกันได้แล้วก็ยกรูปน้ํานั้นแหละขึ้นสู่ตร ล, ลักษณ์พิจารณาเหน็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตาต า, ตาก็เลยพูดเรื่องปัญญาวิมุตติกะถังพูดเรื่อง อรหัตผลอรหัตผลคือความหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกวิมุตติญาณนะทัศนกระทังพูดเรื่องปัจเจกขณะญาณที่เกี่ยวกับอรหัตผลและนิพพานว่าถ้าได้บรรลุอรหัตมรคอรหัตผลนิพพานแล้วก็จะมียานปัญญาที่ไปรู้ตามความเป็นจริงว่าบอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีงี่เป็นต้นเนาะนี่งั้นคถาวัตถุเนี่ย แม้จะเป็นถ้อยคำที่ไม่ขัดกับมรรคผลนิพพานแต่ประการใดสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ควรพูดมากจนเกินไปให้พูดพอประมาณนะครับพูดพอประมาณเพื่อให้เป็นการรักษาสมาธิรักษาปฏิภาคคนิมิตนะครับแล้วก็จึงพูดพอประมาณอย่าให้มากเกินไปเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าพูดไปแล้วสมาธิค่อยๆเส่อมค่อยๆเส่อม หรือไม่เกือ้อกูลต่อการที่จะได้สมาธิก็ให้หยุดนะครับหยุดเริ่มมองเห็นไหมฮะเอาเชิญใครจะถามปัญหาเชิญนะครับเดี๋ยวพอบรรยายเสร็จก็จะหยุดแล้วจากนั้นก็เอาถามไปเลยถ้าถามมาได้ช่วงนี้รับ อ๋อจริงจริงคืออย่างนี้ คือในเรื่องของการเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนะแน้นนำให้หาการยาณมิตรที่มีความรอบรู้มีความชนานาญนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้ามันหลุดออกจากแนวทางหรือว่ามันไปเห็นของเล่นระหว่างทางระหว่างทางเดินขึ้นมาปั๊บมันจะเสียเวลานะึง แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราไปเพลินกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปติดยึดกับความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนักเข้านัเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นดูถูกคนอื่นไม่รู้ตนเองรู้มันจะกลายเป็นตัณหามาณนะหรือทิฏฐิเข้ามาจับฉวยมารูปคำในใจนักเข้านักเข้าก็จะทำให้ตนเองเนี่ยเสียเวลาก็ไอตัวตัณหามาณนะทิฏฐิหรือตัวกมกิเลสทั้งหลายที่มันเข้าไปยึด แลกนะเขาก็จะเทียบตนเปรียบเทียบตนขึ้นมาฉะนั้นการมีกาลยานมิตรมีครัวอาจารย์จึงเป็นลำดับแรกเลยในกำมีอวิสุทธิมรรคพ้นเกลียนเมื่อแสวงหาครัอาจารย์มั่นใจท่านพนนี้แล้วก็ต้องไปมอบตนนะหลังจากมอบตนกับพระธนตาไตรแล้วก็มอบตนต่ออาจารย์เลยถวายตนเลยนะครับกัอบอาจารย์นั้นไอ้นี้มันเป็นปัญหาก็คือตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละแล้วแต่ใครจะได้ครูอาจารย์ที่ชำนาญจริงๆชาญฉลาดจริงๆแล้วก็เกื้อกูลเราได้จริงๆไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ก็แนะนำนะแนะนาตรงนี้อาวังไงครับขอโอากาสดครับพระอาจารย์เอ่อในมีเสียงมาตามสายมาอยากจะถามพระอาจารย์ว่า ถ้าหากว่าการนั่งสมาธิจนกระทั่งว่าจนได้สภาวะที่ได้สภาวะที่คําว่าเกเรนะคะอาจารย์หรือว่าความความโกรธง่ายขึ้นมานั่งสมาธิแต่ได้ความโกรธง่ายกับขออาจารย์อธิบายสภาวะตรงนี้ว่าได้มาอย่างไรแล้วก็สภาวะที่เป็นเมตตาอย่างสุดๆได้มาอย่างไรครับอาจารย์ขอขอโ อ, อกาสครับ เวลาปฏิบัติไปมันจะมีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลามันได้ไอ้ตัวสภาพของกุศลและจิตที่เป็นสมาธิมีภาวะจิตที่ตั้งมั่นใสและสะอาดแล้วเนี่ยมันมองคนอื่นซึ่งอาจจะหลุดจากการประพฤติปฏิบัติหรือไม่ได้อย่างเราบางทีขัดเคืองเล ย, เยจากการถ้ามองนอกตัวขึ้นมาบางทีภาวะความขัดเคืองก็เกิดง่าย เหมือนมีคนเขาเคยพูดกันว่ากรรมาฐานขี้โกรธสมถะขี้โกรธนีคือเวลากระทําไปแล้วเนี่ยมันต้องการความสงบแต่พอได้ความสงบแล้วสมาธิตนเองก็เกิดถ้ามีใครมาทําให้ความสงบตรงนั้นไม่เกิดหรือทำอะไรขัดเคืองขึ้นมาก็จะขัดเคืองได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนี่นึงตอนนี้มันยังไม่ได้ระดับที่จะกระจัดนิวรได้ใช่ไหมครับมันเป็นเพียงเริ่มต้นทีนี้บางคราวเนี่ย พอมันไปได้ล่องของสมาธิระดับอุปจาระส ม, มุติเนี่ยหรือไปได้ระดับเพียงพื้นฐานนี่มันเกิดความรู้สึกว่าอัตยาศัยเดิมๆ เ, เป็นคนมีฐานเมตตาสมมติเนี่ยพอมันเกิดเมตตาขึ้นมาโอ้โมันรักมันรู้สึกรักทุกค น, นยอยากจะช่วยอยากจะเกื้อกูลทุกคนแหมมันเมตตาเหลือเกินภาวะลักษณะนี้ก็คือมันหลุดออก แทนที่เราจะมานักสิการกรรมฐานของเราที่กำลังจะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันกลับเคยไปเสียเวลากันเรื่องตรเนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการมีครูอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำและคอยตรวจตราซึ่งท่านเป็นผู้ชานฉลาดในการรอบรู้เราจึงเป็นเรื่องสําคัญในกรณี่างการที่จะจะจ ะ, จะประพฤติปฏิบัติขอโอกาสถามต่อครับ พระอาจารย์มีวิธีการอย่างไรที่จะแนะนำว่าถ้าถ้าโยมเป็นคนที่อยู่ในสภาวะที่เครียดแล้โกรธง่ายหรือว่าเกเรแล้วจะออกจากมันได้อย่างไรแล้วมีวิธีการวางใจอย่างไรครับที่จริงลำดับที่กำลังพูดในเรื่องของส ป, ปายา เ, ยเริ่มลำดับตั้งแต่ตัวอาวาส ป, ปายะเป็นต้นแล้วเนี่ย ที่ไล่มาตามลําดับเนี่ยเพื่อจะหาส ป, ปายะให้กับตัวเองเหตุผลคําว่าสปายะในที่นี้จนถึงจนถึงภัฒนาสปายะเป็นตันเห็นมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกื้อกูลต่อการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่องในรอยของการเจริญกุศลได้สะดวกได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สปายะขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะว่าในขณะที่ตนเองได้กําลังของกุศลแล้วเนี่ยถ้ามีใครที่จะทําให้กุศลอกุศลตเกิดมันจะเครียดง่ายนะมันจะเครียดง่าย โดยเฉพาะก็คือว่าที่เราจะออกจากบาปอกุศลได้ง่ายหรือไม่ง่ายก็คือบุคคลนะครับบุคคลที่เป็นอัศ ป, ปายะกับบุคคลที่เป็นส ป, ปายะบุคคลที่ไม่สมควรและสมควรเนี่ยสำคัญบุคคลที่ไม่สมควร เ, เป็นบุคละอัศ ป, ปายะส่วนบุคคลที่อัศ ป, ปายะก็คือบุคคลที่มีปกติชอบประคบผงมตกแต่งร่างกาย บุคคลที่มีปกติชอบคุยชอบพูดแต่ในเรื่องเดรัชานคาถาถ้าเราลองไปสมาธคมคบกับคนอย่างเนี้จะทําให้จิตใจของเราเนะ่ยมลหมองไม่สงบหดหูท้อถอยเพราะเราไปเลือกคบคนแบบเนี้ยเขาพูดเรื่องนกเรื่องน้ําเรื่องปลาเรื่องพระราชาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะพูดเกื้อกูลที่จะให้กิเลสเราเกิดตลอดเวลาเลยเนี่ยมันก็หลุดออกมาเลยแตเนี้ยเห็นไหมว่าการครบคน ก็คือจึงหาบุคคลที่เป็นส ป, ปายะบุคคลที่เป็นส ป, ปายะบุคคลที่สมควรแก่การเข้าไปสนทนาปาศัยในขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยสประเภทก็คืออติอติรัชานะกติโกก็บุคคลที่มีปกติไม่คุยไม่พูดในเรื่องเดรัชานกภาาจะคุยอะไรก็สรุปลงในเรื่องเหตุผลเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์อะไรก็แล้วแต่หรือบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยศีลคุณ สมาธิคุณปัญญาคุณก็เรียกว่าศีลาที่คุณะสำปันโนบุคคลเนี่ยบุคคลในลักษณะนี้จะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติน่เยือกเย็นผ่องใสได้โดยแท้เมื่อเข้าไปคบหาไปอยู่ในสภาพกับบุคคลประเภทนี้แล้วเนี่ยจิตใจของพยโยคีหรือผู้ปฏิบัตินั้นน่ก็จะได้กุศลได้ง่ายเพราะท่านเป็นเพราะเราไปคบคนที่ถูกต้องและชานฉลาด ที่จะเอื้อรักษาสภาพจิตใจเราให้ออกจากบาปอกคติกรรมอันชั่วร้ายเป็นตัวนั้นได้ประการต่อมาก็คืออุตตุอุอปชนะเลยนะโภชนะที่เป็นอสั ป, ปายะกับโภชนะที่เป็นส ป, ปายะอาหารที่ไม่สมควรและการบริโภคอาหารที่ควรและไม่ควรในขณะที่ปฏิบัติถามว่าพระ โ, รระโยคีหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าได้รับอาหารที่มีรสหวาน แล้วไม่ถูกปากไม่มีความชุ่มชื่นไม่ผาสุกเป็นเหตุให้จิตใจไม่มั่นคงสมมุตินะแต่เมื่อได้อาหารที่มีรสเปรี้ยวแล้วรู้สึกชุ่มชื่นผาสุกทําให้จิตใจมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นฉะนั้นอาหารที่มีรสหวานจึงเป็นอัศ ป, ปายะอาหารที่รสเป็นรสเปรี้ยวเป็นสับ ป, ปายะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอาหารให้สังเกตดูนะว่าอาหารบางอย่างเวลาไปกินแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเกิดความกําหนัด ขัดเครื่องหดหูร้อนลุ่มแต่อาหารบางประเภทเมื่อไปกินไปบริโภคแล้วเนี่ยทําให้รู้สึกจิตสงบเยือกเย็นตั้งมั่นมีกําลังเนี่นะคุณก็ต้องไปเฟ้นแล้วนอกจากรู้จักบุคคลแล้วก็รู้จักโภชนะโภชนะบางอย่างกินแล้วเล่าร้อนอย่างยเนะี่ยยิ่งบางคนอาหารเผ็ดนะครับกินเข้าไปแล้วรู้สึกเครียดง่ายครับเครียดง่ายเลยนะบางคนเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอย่างไงนะอาหารบางอย่างก็กินก็รู้สึกว่ากําหนัด ยินดีเพลิดเพลินใช่ไหมให้ดูเด็กอย่างครับเด็กถ้าอยากให้มันซนมากๆ อ, อัดพวกไอวิโปรตีนเยอะๆโอ้โหมันอยู่ไม่สุกเลยตึ้งๆๆๆงตึ้ง้งเลยนะให้หอยหน่อ ย, อ ย, อยให้กินผักกินผลมไม้เงี้ยมันก็รู้สึกมันยังมันจะไม่ค่อยเนะีอันนี้ก็เหมือนกันมันสดชื่นไปสดชื่นจิตใจร่าเริงผ่องใสสังเกตไม่กระทั่งอาหารนะครับ ครูอาจารย์หรือกัล ย, ยาณมิตรเขาก็สังเกตแล้วด้วยโอ้อาหารประเภทไหนเหมาะอาหารประเภทไหนไม่เหมาะเนี่ยมันเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลอย่างไรเนี่ย<ด>นอกจากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วว่ายังไปเพาะให้กิเลสในใจมันฟูขึ้นหรือทําให้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแข็งแรงมั่นคงขึ้นก็ไปสังเกตเรื่องโภชนะอภรรการต่อมาคืออะไรไหมอุตตุค ร, ครับอากาศนอากาศที่สปายะหรือไม่สปายะ อากาศที่ไม่สบายและสบายในขณะที่กำลังปฏิบัติเนี่ยเมื่อกำลังได้รับอากาศร้อนแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกวลกัวายใจเครียดง่ายโกรธง่ายงดหงิดง่ายจิตใจไม่แจ่มใสไม่ตั้งมั่นกับกระสรับกระสายขุนมัวยิ่งขึ้นจิตที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นก็กลับหงุดหงิดขึ้นมาแต่พอได้อากาศเย็น สบายจิตใจก็แจ่มใสเนี่ยจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็กลับมาตั้งมั่นจิต ไ, ไม่แจ่มใสก็กลับมาแจ่มใสอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสภาพอากาศก็ต้องสังเกตว่าอากาศประเภทไหนสปายะแกเราแต่บางทีต้องระวังนะไปอยู่อากาศเย็นเลยไม่อยากปฏิบัติเลยอยากจะ น, นอนเพลินสบายเนี่ยอันนี้ก็พวกวันหามันก็เกิดนี่ก็ต้องต้องเช็คแม้กระทั่งอุตุด้วย ว่าสปายะหรือไม่สปายะอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในอากาศประเภทไหนนะบรรยากาศอย่างไรอยู่ใต้ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านอยู่ในที่ตรงไหนเนี่ยมันเอื้อต่อการที่จะทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไปบุญหรือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วมันหายหายหายไปมีแต่ราคาโทรศัมือถเกิดขึ้นอันนี้ก็พึงระวังนะืพึงระวังสภาพอากาศที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย สำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายเอออันนี้นีประการต่อมาคืออยาบทครับยาบทสปายะหรือไม่สปายะเนี่ยน e ียาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อทําการปฏิบัติอยู่ในยาบทนอนทําให้รู้สึกง่วงไม่ค่อยจะได้รับผลดีถ้าอยู่ในยาบทอื่นรู้สึกว่าสบายทั้ง ได้รับผลดีไม่มีนิวรณ์ลบกวนอย่างนี้เป็นต้นให้สังเกตดูนะเอียบดเอียบดยืนยอียบดเดินเอียบดนั่งเอียบดนอนไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยเอียบดบางเอียบดเนี่ยอย่างเช่นนั่งเนี่ยซึมอยู่งั้นเลยครับก็ต้องเดินบ้างบางทีเดินเดินไปฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งฟุ้งไปทั่วเอออันนี้ต้องยืนนี่นะสังเกตเอียบด แต่ที่แน่ๆก็คือเอียบบนนอนเนี่ยไม่ค่อยดีบนนอนแล้วบางทีถีนมิธะมาเอ๋ยง่วงโดยซึมเศร้าเงอแงอยฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งอะไรไปทั่วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ให้ดูที่มันสัปปายะก็คือเอาศีลสมาธิเอากุศลเนี่ยกนะุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเอียบบทนั้นใช้ได้ถ้ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ภัยบูตเจริญไอ้ น, นี้ไม่ดีก็สังเกตในด้านก็ yan, ไม่สปายะตรงนี้ก็คือให้เสพผู้ที่กำลังทำการเพ่งหรือได้ปฏิภาคฤมิตรอยู่ให้เว้นจากอสปายะเจ็แล้วก็เสพสปายะเจ็ดตามที่ได้กล่าวมานี้แหละก็เริ่มตั้งแต่ตัว อ, อ, อาวาสนะอาวาสสปายะโคจระสปายะ คัตสะคำพูดที่เป็นสปายะบุคคลที่เป็นสปายะแล้วก็อุตุที่เป็นสปายะอาหารที่เป็นสปายะิยาบทที่เป็นสปายะถ้าได้สปายะอย่างนี้จเจริญแน่นอนกรรมาฐานฉะนั้นประเด็นที่ยอมถามเกี่ยวกับเรื่องว่า เ, ออเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันหลุดง่ายอะไรต่างทั้งหลายมันขาดสิ่งเหล่านี้หรือไม่ประการต่อมาก็คือว่า ที่จะเกือ้อกูลนะครับเขาเรียกอั ป, ปนาโกสัน ล, ละสิมาโอคอแรกคือวัตถุวิสทักกะกริยาตาก็คือจงชําระร่างกายและเครื่องนุ่งห่มให้สะอาดทําการปัดกวาดเช็ดถูสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไว้ให้หมดจดให้สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็จัดวางไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ดูเย็นตาเย็นใจอันนี้เกือ้อกูลนะครับการปฏิบัติประการที่สองก็คืออินเรียะ สมะัตตะปฏิปาธนตาก็คือการทาอินทรีย์ห้าให้ได้ดุลยภาพศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิให้สมดุลกันโดยเฉพาะสตินั้นน่ต้องทำให้มากยิ่งกว่าธรรมะอื่นทั้งปวงจึงจะควรก็คือตรงนี้เดี๋ยวจะไปบอกรายละเอียดนะบอกรายละเอียด ในกรณีการปรับหรือจะบอกเลยดีกว่าเนี่ยค่อยๆบอกไปฉะนั้นการปรับอินทรีย์เนี่ยสำคัญมากเลยคือตัวศรัทธาเนี่ยถ้ามันมากไปนมากไปเนี่ยบางทีมันไปเป็นเหตุทำให้ตัวปัญญาสมาธิความเพียรทั้งหลายมันลดลงมันก็เลยเอียงเลยแต่เนี้ยมันก็ไม่ได้สมถตาไม่ได้ดุญยภาพ ปัญญามากไปอย่างเงี้ยก็มีปัญหาความเพียรมากไปหรือว่าสมาธิมากไปต้องใช้ตัวสติเนี่ยให้มากแล้วก็มีการเกลี่ยหรือกํากับคอยปรับปรับให้ได้ดุลยภาพตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวรายละเอียดว่ายทีที่ทนี้ความเป็นผู้ฉลาดในการรักษานิมิตกรรมฐานและทําให้สมาธิจเจริญขึ้นความเป็นผู้ฉลาด นี่การที่จะฉลาดในนิมิตการมาฐานทั้งหลายเหลา่านี้เป็นต้นเหลา่านี้หลักการตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาคือปัญญามีหลายระดับใช่ไหมครับปัญญาระดับตัวกรรมสกตาสมาธิฏฐิกับฌานสมาธิฏฐิไอตัวฌานสมาธิฏฐินี่คือปัญญาฉลาดในการที่จะทําให้สมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ขยายทําให้นิมิตนั้นมหีหลุดไปยังไงเป็นต้นเหลา่านี้ก็เป็นผู้มีความฌานฉลาด จิตแต่ปากหัวคือในขณะใ ด, ดรู้สึกว่าจิตมีอาการท้อถอยจากอารมณ์กรรมฐานเนื่องจากอะไรเนื่องจากปัจ ส, สัตย์ความสงบสมาธิความตั้งมั่นรู่เบกขาความวางใจเป็นกลางเนี่ยมันมากเกินไปในขณะนั้นให้ยกจิตขึ้นโดยการทําธรรมวิจยะคือปัญญาวิริยะคือความแกล้าปีติคือความ ใจโฟูขึ้นเนี่ยให้เจริญขึ้นนการปรับเลยนะแต่เนี้ยต้องปรับแล้วคือในขณะที่กำลังเจริญเจริญกรรมฐานไปนะครับบางทีเนี่ยถ้าตัวปัจสถธิคือความสงบสมาธิคือความตั้งมั่นหรือความวางใจเป็นกลางน่มันมากไปพอมากไปมันจะเป็นยังไงครับจิตมันจะหดหูมันจะท้อมันจะมันจะมันจะถอยลงถอยลง มันไม่ตื่นเต้นแล้วก็จะซึมซึมซึมลงอันนี้จะทีนามิทามันจะเข้าแล้วเวลานั้นต้องปรับทำอะไรครับธรรมวิจยะคือปัญญาวิจัยแยกแยะวิริยะคือเกิดความอุตสาหะแกล้วกล้าอาถานแล้วก็ปีติทำภาวะจิตตื่นเต้นเบิกบานชื่นใจให้เกิดขึ้นไอ้ภาวะหดหู่ภาวะซึมซมภาวะง่อยๆทั้งหลายหายไหมหายแล้วเนี่ยนี่ก็เรียกปรับแล้วเริ่มปรับ หรือในขณะใดรู้สึกว่าเกิดความฟุง้งซ่านเนื่องจากวิจัยมากเกินไปเพียนมากเกินไปหรือว่าจิตมันโฟว์มากเกินไปมันเลยหลุดแล้วก็ฟุ้งไปเลยเนี่ยในขณะนั้นต้องข่มจิตด้วยการทำความสงบมนสิการให้ความสงบของจิตเกิดขึ้นให้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่กำลังเพ่งพิจารณานั้นขึ้น แล้วก็วางใจเป็นกลางปรับให้ได้ดุญยภาพให้ได้สมถตาอย่างให้มีการฟูขึ้นอย่างให้มีความเพียรมากเกินไปหรือวิจัยมากเกินไปก็ลดการวิจัยลดความเพียรลดการทําจิตให้ฟูขึ้นทำให้เข้าถึงภาวะความสงบทำให้เข้าถึงความตั้งมั่นแล้วก็วางใจเป็นกลางหายยังหายฟยายุ้งยังแต่นี้นี่ก็รปรับให้หายฟุ้งแล้ว เวลาใดรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในการเจริญกรรมฐานเวลานั้นควรปลูกความเชื่อเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัต t h เชื่อมั่นในปัญญาตัศโรพระเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในบาลีสงเชื่อมั่นในศีลที่กำลังเจริญอยู่เชื่อมั่นในศีลสิกขาเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาแล้วก็เชื่อมั่นในปัญญาสิกขาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วางหลักไว้เชื่อมั่นในกรรมฐานยังจิตให้ร่าเริงและก็ใหนรรน้นึกถึงสังเวทขวัตถุและคุณของพระรตนาใยนึกถึงสังเวทขวัตถุก็คือการที่เรายังไม่พ้นจากกิเลสและกองทุกเนี่ยเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสรกายเป็นต้นบ้าง หรือการเกิดมาเนี่ยมาเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลอีกมากมายในสังสารวัฏถ้าเรายังเวียนว่ายต้เกิดเรายังต้องไปเกิดในปัจจันต์ประเทศปัจจันตชนบทเราจะต้องเกิดมาไม่พบพุทธศาสนาเป็นตัวเหล่านี้โอ้โหสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ภาวะเหล่านี้เรามาเกิดทันพทธเจ้าแล้วเราพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นรกพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากการเกิดเป็นเปรตอสุรกาย พ้นจากการเป็นคนบ้าใบาบอดหนวกเป็นมิจฉาทิถีพ้นจากวยคนป่าคนดอยพ้นจากอาคณะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นแต่ตอนนี้เรามาเกิดในแวดวงของพระรัตนตรยัยมีพุทธรัตนเกิดขึ้นธรรมรัตนเกิดขึ้นสังขรัตนเกิดขึ้นเราก็ได้ศรัทธาในพระศาสนาแล้วเราก็ได้ฟังธรรมแล้วและตอนนี้เรากําลังประกอบกรรมฐานอยู่เราจึงไม่ควรที่จะมานั่งหมดศรัทธาในสิ่งนี้ เราควรจะขวนขวาย ใ, ในช่วงที่เรากระแสชีวิตของเรายังดำเนินเป็นไปได้อยู่มีพระรัตนตรัยปกครองยังมีพระรัตนตรัยคุ้มครองเราอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเวลาใดจิตใจไม่มีการท้อถอยไม่ฟุ้งซ่านไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกรรมฐานเวลานั้นควรประคองจิตให้เพ่งเฉยอยู่โดยไม่ต้องยกจิตไม่ต้องคมจิต และทําจิตให้ร่าเริงแต่อย่างใดทําจิตให้ราบเรียบสม่าเสมอเหมือนอะไรเหมือนขับรถที่ได้ทางที่ตรงทางที่เรียบทางที่เหมาะสมความไวก็เหมาะสมเราก็ได้เพียงแค่ประคองให้เป็นไปตามแถวเตแนวเท่านั้นเองังนั้นวเวลาใดเนี่ยตอน จิตใจก็ไม่ได้มีการท้อถอยไม่ฟุง้งซ่านไม่ได้เบื่อหน่ายในการเจริญกรรมฐานเวลานั้นน่ะประคองจิตให้เพ่งเฉอยอยู่ไม่ควรต้องยกไม่ควรต้องขมไม่ควรต้องทําให้ล่าเลิงเลยอันเนี้ยไม่ต้องปรับอะไรเลยเนยีแปลว่าเขาเดินไปตรงเป็นแถวเป็นแนวเขาดิ่งเขานิ่งเขาสงบเขาเยือกเย็นเขาผองใสเขาล่าเลิงแล้ว พอเหมาะพอควรพอดิบพอดีได้สมรตาได้ดุลยภาพเป็นมัชิมาปฏิบัติแล้วก็ควรแค่ประคองไปเท่า น, นั้นเองถ้าเกิดมีปัญหาอย่างที่กล่าวมาก็คือสมัยใดควรยกก็ยกจิตสมัยใดควรข่มก็ขมก่ขมจิตสมัยใดควรทําให้ล่าเริงไม่เชื่อมัน่นก็ควรทําให้ล่าเริงและเชื่อมันอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นหรือยังอภิการต่อไป เว้นจากบุคคลที่มีจิตใจไม่สงบใครที่ฟุ้งซ่านเนะี่ยมีความประพฤติเหลาะแหละมีวกแวกที่ไม่มั่นคงในการงานเตะเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆคนประเภทนี้เลิกคบเลิกคบเพราะอะไรเนี่ยวก็เหลาะแหล ะ, หละทําให้กรรมฐานเราพังเลยใช่ไหมนคนที่ใจไม่สงบพวกนี้เป็นพวกวิตกจริญนะคนวิตกจริตมันฟุง้งมันฟุงนะ้งอะ ฟุ้งซ่านงุดหงิดแล้วก็โอ้โหคุยหรือไปสนธนาที่ไลสมาธิพังเลยต้องระวังเลยเขาอยู่นิ่งไม่ได้อยู่สุขไม่ได้ขวนขวายมีความต้องการก็มากมียกจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วก็พูดเรื่องแต่ละ้สาระหรือแต่พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดไปทั่วในทีสุดจริงๆก็ยังวิจิกิจฉาเราให้เกิดไปเลยโอ้ตรงนี้นะก็แล้วก็สมาธิเราพังเลยนะตรงนี้ งั้นคนที่ไม่ได้สมาธิคนที่ไม่มีสมาธิเราไปเกี่ยวข้องคบคนเช่นไรก็เราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราอย่างนี้เป็นต้นเว้นจากบุคคลที่มีจิตใจไม่ส ง, งบแบบพืชหลอกแหลวอวกแวกคบหาบุคคลที่มีความประพฤติที่มั่นคงไม่จับจดเป็นหลักเป็นฐานที่มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตอยู่แต่ในเรื่องของฌานสมาธิก็หมายความว่าวงไงรู้ไหม บอกว่าน้อมจิตโอนจิตไปในหายเราจะต้องเข้าถึงความสงบให้ได้มีสมาธิเป็นจุดหมายเพ่งอยู่ในปฏิภาคคนิมิตที่ได้ในสมาธิที่ได้มนาธิการใส่ใจอย่างติดต่อและต่อเนื่องทําภาวะจิตให้เข้าถึงความสงบเราจะต้องทำฌานสมาธิเกิดขึ้นได้ทำให้ติดต่อต่อเนื่องเรื่อยๆๆๆๆๆไม่ขาดสาย ทั้งหมดเหล่านี้ที่พูดมาเขาเรียกอปปนาโกสันละเขาแปลว่าอะไรความเป็นผู้ฉล า, าดนี่แหละสิบอย่างส0บอย่างถ้าตรงนี้ก็ต้องเอาไปฟังบ่อยๆเพราะอันนี้เป็นตัวรักษาเลยเนะี่ยจะรักษาให้กรรมฐานเข้าเป็นแถวเป็นแนวไปถูกทิศถูกทางถ้าทำได้อย่างนี้สุดยอดเลยทีนี้ทีนี้พอทาได้ครบตามกาหนดอย่างนี้กรรมฐานจเจริญไว้ทีนี้ จเจริญแล้วแต่เนี้ยปฏิภาคคณิมิตผู้ที่ได้ปฏิภาคานิมิตยอย่างดีแล้วจากนั้นก็ควรแล้วแต่เนี้ยเอาละถ้าปกเป็นปฐวีกสินเนี่นะพอสมาธิปฏิภาคานิมิตใสสะอาดสว่างเปียดเสร็จปุ๊บเริ่มแล้วพอสมาธิตั้งมันก็เริ่มฝึกขยายขยายขยา ย, ย, ายสมาธิขยายปฏิภาคคณิมิตแล้วก็ค่อยๆย่ อ, ยยอลงขยายขึ้นยอ่อลง พอบอกจงเล็กจงเล็กเนี่ยมันก็จะเล็กลงเนีใจคิดยังไงไอตัวตัวนิมิตจะเป็นไปตามใจแล้วทีนี้จงขยายขยายขยายแต่ทั้งหมดเหล่า น, นี้ต้องมีที่ปรึกษากํากับดูขยายแผ่ออกไปแผ่ไปแผ่ไ ป, ไปนี่คือจิตใจนั่นน่ยถ้าเราแผ่ไปแล้วเนี่ยถ้าสมาธิมันจะเสียต้องหยุดเนีอย่าให้มันมากเกินไปเนี่ยแตกซ่านฉะนั้นกีตรงนี้ก็คือต้องการ ฝึกให้สมาธิมีความแข็งแรงมันเหมือนอะไรนะเหมือนการที่จะโยกให้มันแข็งแรงขึ้นให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นให้ความใสสะอาดมากขึ้นและให้ความเฉื่อยมากขึ้นเนี่ยคือการย่อขยายอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่สุดจริงๆก็คือว่าสมาธิที่เป็นอุปจาระเนี่แหละเป็นสมาธิที่ใกล้ต่อฌานหรือภายหลังนั่นแหะ ที่จริงเมื่อฝึกไปได้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆตามดับในสนจริงอัปนาฌานก็จะเกิดขึ้นรูปาวจรัตพธรรมฌานที่มีองค์ห้าก็จะเกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับตรงนี้เมื่อหลังจากที่ได้สมาธิระดับเป็นฌานนจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่จริงถ้าลําดับก็เป็นไปตามคําสอนปริกรารบุญจารละอนุโลมโคตรภูมิ เอาว่าไปตามลำดับแต่ว่าจริงๆตรงนี้จะยังไม่ขยายรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าต้องการให้รู้ว่าเมื่อสามารถทําอั ป, ปนาจิตชาณจิตหรือปทมชาญเป็นตอนนี่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อมาก็ฝึกอาวัฝึกให้เป็นวสีก็คือว่าสามารถในการพิจารณาองค์ชาญอันนีพ้พิจารณาดูอ๋อคือจิตเนี่ยนะ เมื่อเข้าถึงความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัดเป็นจิตที่สเสถียรเพราะว่านิวรธรรมน่สงบระงับหมดแล้วสีกามฉันทะที่เหมือนสีแดงสีดำสีเหลืองทั้งหลายเหล่านี้ที่ย้อมจิตเนี่ยถูกขจัดออกตัวพยาบาทที่เหมือนกับเอาน้ำใส่ภาชนะไปตั้งไว้บนเตาให้เดือดพันธสงบ ทีน้มิทะเหมือนกับ น, น้ำใส่ภาชนะที่มีจอกแหนก็หมดไปอุทจักจกุกจกัเหมือนน้ำใส่ภาชนะที่ถูกลมพายุกระพัดกระเพื่มลมก็นิ่งวิจิกิจฉาเหมือนน้ำใส่คโครนตรมที่ไว้ในที่มืดก็อันตรธานตอนนั้นจิตใสสะอาดเป็นเหมือนน้ำใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัด พอมาณสิกานไปที่จิตหรือที่เป็นฌานนะจิตหรือสมาธินั้นก็จะเห็นวิตกที่เป็นยกจิตขึ้นสู่ปฏิภาคคณิมิตยกจิตเจสิขึ้นสู่เห็นวิจารที่เขาครออยู่กับปฏิภาคคณิมิตเห็นปีติที่มีความตื่นเต้นปลื้มที่มีปฏิภาคคณิมิตเป็นอารมณ์เห็นสุ ข, ขเวทนาที่ได้รับความเอิบอิ่มสุขสบายจากการได้ความตั้งมั่นแห่งจิตนั้น แล้วก็เอกคตาคือความตั้งมั่นเป็นตัวผนึกเจริญเจรสิกให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแน่วแน่อยู่กับปฏิภาคคณิมิตนั้นเห็นหมดเลยครับมันจะเข้าไปเห็นจริงๆเลยมาทัศน์การไปวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกขตาโอ้โหเห็นหมดแล้วนี่เขาเรียกว่าพิจารณาองค์ฌานออกมาแล้วก็ไปพิจารณาเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเนี่ยรู้ละอ๋อนี่คือองค์ฌานเป็นฌานใจิตที่เกิดขึ้นในตน องค์ชานเหล่านี้นี่เองเมื่อเกิดขึ้นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วยังนิวรธรรมมีกามฉันทะให้อันตรธานหายเกลี้ยงไปเลยจิตใจสะอาดสว่างสงบใสจ้าขึ้นมาเลยทีนี่เป็นต้นนี่ทีนี้พอเห็นอย่างนี้เบีเสร็จปุ๊บก็ฝึกต่อฝึกในการที่จะเข้าเข้าฌานเข้าปกติจะเข้าสมาธิระดับนี้ถ้าไม่ฝึกที่จะเข้าเข้าบ่อยๆมันจะไม่เร็ว ฝึกให้เข้าให้รวดเร็วเข้าให้รวดเร็วใช่ไหมคือสามารถที่จะขึ้นสู่ชวนะเข้าปุ๊บ ป, ป, ปุได้เลยนะและต่อมาก็คืออธิษฐานนวสีก็คือสามารถในการกําหนดในเวลาเข้ า, าก็คือว่าเราสามารถที่จะกําหนดระยะเวลาเพื่อไม่ให้ลงพวังเนี่ยเราจะให้อยู่กี่นาทีนะนานเท่าไหร่กําหนดเข้าปุบก็ ชาณจิตก็จะเกิดต่อเนื่องตลอดอย่างนั้นเลยจะไม่ลงผวังในขณะที่เราอธิษฐานแล้วก็วุธฐานนะก็คือในการออกห้านาทีออกสิบนาทีออกยี่สิบนาทีออกสามสิบนาทีออกหรือชั่วโมงออกชำนานในการออกเลยด้วยแล้วก็ชำนานในการพิจารณาองค์ฌานของชาวนะก็เรียกปัจเจเวกพิจารณาว่าเห็นความเห็นองค์ฌานที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือวสี นี้อย่างที่บอกไว้แล้วตัวอาวัชชนะเนี่ยที่บอกว่าพิจารณาเมื่อออกจากปฐมฌานแล้วก็พิจารณาองค์ฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกาตาีาโดยมีมหากุศลชวนะที่เกิดขึ้นนี่ยนะพิจารณาในขณะที่ไปพิจารณาเนี่ยพิจารณาก็คือว่าระดับแห่งการที่จะสามารถรวดเร็วในการที่จะพิจารณานะครับไม่ คือพิจารณาได้อย่างรวดส่วนสมาปฏิชนะวสีก็คือชำนาญในการในการเข้าจะเข้าในเวลาใดก็สามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วเลยเนาะเข้าได้อย่างรวดเวอธิษฐานนะก็คือว่าให้ชานะจิตเกิดขึ้นเรื่อๆๆๆๆๆๆไม่ให้ลงพวังตามที่ตนเองตั้งอธิษฐานไว้วุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจๆเวกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ การสามารถในการพิจารณาองค์ชาญแต่ละองค์แต่ละองค์งได้อย่างรวดเร็วและถี่ถ้วนอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็วันนี้ชั่วโมงกว่าอันนี้พูดถึงในเรื่องของการที่ยังปฐมชาญได้ตั้งขึ้นเมื่อทําจนชํานาญอย่างนี้แล้วจนความแนบแน่นแล้วต่อไปที่จะพัฒนาจากปฐมชาญขึ้นทุตีชาญ น, นั้นว่ากันอีกทีเพราะอันนั้นบ่งบอกถึงว่า เห็นไหมว่าพอพิจารณาจนได้ปฐมฌานครับจน ช, นชำนิชานาญแล้วท่องแท้แล้วมันจะมีปัญหาต่อมาปัญหาต่อมาว่าถ้าพลาดหนาจะขึ้นทุติยฌ า, านจะต้องละองค์ฌานที่หยาบโดยเฉพาะวิตกหรือวิจารณ์นี้เป็นตน้นแล้วเหตุผลก็ว่าวิตตกวิจารณ์มันใกล้ต่อกา ม, มาคุณใกล้ใกล้ต่อ น, นิวรณ์ถ้าตรับและอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอาศัยวิตก ที่เป็นองชานวิตกองค์ชานนะในการทำมายกมาอย่างมากมายถ้าจะทำทุตยชานเะนี่ยไม่ต้องใช้บริการของวิตกแล้วเพราะความชนานานญะวิตกจึงกลายเป็นภาละกลายเป็นของหยาบถ้าจะขึ้นทุตยชานก็จะละวิตกองค์ชานเป็นตัวเหล่านี้อันนั้นเขาว่ากันอีกทีนะทั้งหมดเหล่านี้ต้องการสรุปให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจว่าในภาษาศาสนาเนี้ย ถ้าคนที่ได้สมาธิเนี่ยเพราะเขามีความเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาให้สังเกตดูว่าถ้าใครยังไม่ได้สมาธิระดับขณิกะอุปจาระหรืออปนาถ้าได้แค่ขณิกาสมาธิก็จะเชื่อมั่นอย่างมั่นคงในขณิกะสมาธิเพราะตนเองได้ได้ได้สัมผัสถ้าได้อุปจาระสมาธิก็จะเชื่อมั่นในอุปจาระสมาธิ แต่ถ้าหากว่าคนที่ได้อปปนาสมาธิระดับชานก็จะมีความเชื่อมั่นในสมาธิสิกขามากกว่าคนเรียนตำราเฉยๆหรือฟังเฉยๆเพราะตนเองได้ดื่มดำ่ำได้สัมผัสจริงๆความเชื่อมั่นได้เห็นได้สัมผัสและก็มีความได้ดื่มดำ่ำในสมาธิวิตกวิจารณ์สุข เอกคตาเป็นต้นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาโดยเฉพาะปีติเวลาเกิดขึ้นนะครับคนได้ได้ปทมวิชารไม่มีส่วนใดของกรัชกายเลยที่ปีติไม่ทราบซ่านนะครับไม่มีเลยอะปีติเนี่ยมันชุ่มช่ำในใจแล้วก็แพร่ทราบซ่านท่วมท้นในนามนธรรมไม่พอท่วมท้นรูปธรรมทุกขุมขนนะไม่มีส่วนใดของกรัชกาย ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ปีติไม่แตะต้องไม่ได้สัมผัสไม่มีเลยถ้ามันสุขขนาดนั้นนะท่านลองคิดดูดิแล้วไม่เชื่อมั่นในสมาธิสิกขาได้ยังไงความเชื่อมั่นจึงต่างจากคนที่ไม่เคยได้คนที่เข้าถึงจริงๆจึงมีความเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาว่ามันสงบจริงๆเยือกเย็นจริงๆกําจัดอาการป่วยทางจิตได้ระดับหนึ่งจริงๆระดับ ถ้าพยาบาทนะทีนมิถะอุทจักกุกุจัวิจิกิจฉาที่เป็นอาการป่วยเรื้อรังของจิตเนี่ยมันสงบระงับเนี่ยมันปลอดโป่งโล่งเบามันชื่นใจจริงๆซึ่งในพระศาสนาเนี่ยนี่เป็นสมบัตินี่เป็นทรัพย์ที่พระบ ร, รมศาสดาฝากไว้แล้ขุดให้จอบอให้อุปกรณ์ในการให้พุทธบริษัทของพระองค์ขุดนะแขุดลงไปถ้าเราขุดถึงตรงนั้นเราก็จะได้ทรัพย์ น, นี่อยู่ลึกลงไปจากพื้นแผ่นดินนะระดับศรีรนี่อยู่บนพื้นแผ่นดินนะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนสมบัติของพ่อที่ให้ไว้แต่ถ้าระดับสมาธิมีเปโตรมชาญเป็นต้นต้องขุดลงไปนี่เหมือนกันในพระศาสนาเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนลูกหญิงลูกชายของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบัติของพ่อที่ฝังไว้ตามลําดับที่ลึกลงไปตามลําดับเรามีสิทธิ์พราะเรามีอุปกรณ์นั้นจงขุดไปเมื่อเราได้สมบัตินั้นเราก็มาบริโภคใช้สอย เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาในทุกระดับที่พ่อฝังดินไว้เนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยเราจงขุดลงไปแล้วก็จงเอามาใช้สอยใครขุดได้คนนั้นก็บริโภคได้เมื่อฟังได้แผนที่ได้ข้อมูลแล้วจงเร่งขวนขวายในการขุดลงไปแล้วเราก็จะได้ทรัพย์นั้นบ่บริโภคและใช้สอยแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นว่าโหยังมีทรัพย์ที่เหลืออยู่ เราก็จะต้องขุดต่อไปได้เรื่อย ๆ, ๆแต่ถ้าไม่ได้เลยะได้แค่ศีลที่พ่อฝากไว้เพ้อๆสมบัติที่พ่อให้ไว้เอาไปทําเอาไปขายกินเหมือนคนทุศีลตายเลยนเหมือนขายกอบขายเสียมไปเสร็จไม่มีอุปกรณ์ในการขุดเป็นขอทานนี่เลยในพระศาสนานี้เราจะเป็นลูกของพ่อคนไหนอมีฉันทามีใจรักอย่างแรงกล้าเราจะต้องเพียรไว้เราจะต้องขุด สมบัติพ่อมาให้ได้หรือมีความแ ก, กลลาอาถานใช่ไหมเพียรพยายามเจออุปสรรคแค่ไหนก็ไม่ท้อหรือการอุทิศกายอุทิศใจที่มีจิตตาหรือจะเป็นโรคประเภทคนที่มีปัญญาสอบสวนตรวจตราสอดส่องอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทําให้เราเข้าถึงสมบัติมันได้เร็วที่สุดหรือจะอยู่แค่ศีลแค่มีฉันทาวิรยิยะจิตต์ปัญญา พอประมาณหรือทำลายทิ้งเลยทำลายศีลทิ้งไปเลยกลายเป็นคนทุศีลก็เหมือนกับทำลายจอบทำลายเสียมที่พ่อฝากเอาไว้กลายเป็นขอทานไปฉะนั้นลูกหกคนใช่ไหมคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็เลือกเอาวันนี้พูดแบบย่อๆก็ไปตามฟังในเรื่องเก่าๆที่เคยพูดอุปมาเหมือนมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกลูกหกคนนะวันนี้เกือบสองชั่วโมงแล้ว เกือบจะสองชั่วโมงแล้วคงไม่มีคะถามอไรแล้วมีหรือเอา้างั้นให้ให้อีกหนึ่งปัญหาเชิญ sure. ก็มีปัญหาถามมาพระท่านถามมานะว่าเออก็เหลือเวลาที่เหลือก็จะตอบเนาะโยมก็ตั้งใจฟังโบูรณาที่ตั้งใจที่จะถามตั้งใจที่อยากจะรู้ตั้งใจที่อยากจะพ้นทุกข์ประเด็นแรกก็คือโยมอยากจะได้สมาธิเออทีนี้คือปรารถนามีใจรักนะคำว่าอยากมีสองอยากนะโยมนะแบบชันทะปปัตนากัตัิหาปัตนาอยากโดยกัตติหาก็อยากโดยชันทะ ถ้าอยากด้วยตัณหามันอยากได้สมาธิแต่มันเบื่อที่จะทำคืออยากจะตั้งจิตอธิษฐานเพียงให้มันได้สมาธิเดินเดยไม่ต้องทำนี่อันนี้อันนี้ตัณหาจะเป็นแบบนี้อันนี้วิธีนี้ห้ามใช้เพราะตัณหาเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิอยากแทบตายก็ฟุงฟ้งกินตายเลยอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นอยากด้วยฉันทะหรือกุศ ล, ลฉันทะมีใจรัก อย่างแรงกล้ามีรักแท้เกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่ได้สมาธิสิกขาเราจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าตัวความติดใจไยกระสันความพยาบาทห ง, งุดหงิดความหดหู่ท้อถอยฟุง้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นสตรูภายในเป็น่าศึกภายใน ซึ่งมันลบกวนเราจัดการเราเล่นงานเราตลอดฉะนั้นการที่เราจะจัดการกับศัตรูภายในเพชข้าตภายใน่าสึกภายในได้ต้องมีสมาธิสิกขาเท่านั้นที่จะไปจัดการได้เพราะเกิดความรักแท้ขึ้นมาเราจะต้องทำสมาธิสิกขาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตให้ได้เพราะเกิดรักแท้ขึ้นมาแล้วปุ๊บก็จะเพียนพยายามและจะอุทิศกายอุทิศใจ แล้วจะฟังข้อมูลอย่างดีในการที่จะดำเนินไปตามเส้นทางแนวทางนี้เพื่อจะให้ได้เข้าถึงสมาธิสิกขาเพื่อกำจัดเพชฌฆาตศัตรูภายใน่าสึกภายในให้จงได้โอ้โอพอเกิดรักแท้อย่างนี้เรื่องท้อไม่มียิ่งเจอปัญหาและเจออุปสรรคยิ่งยิ่งแกล้งเป็นการพอ ร, รักแท้มอบกายมอบใจต่อพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมส่งแล้วโอ้นี่เป็นเต็มที่เลย นั้นทำยังไงจะได้ก็คือเอาตัวฉันทะเอาตัววิริยะเอาตัวอุทิศกายอุทิศใจเอาตัวปัญญามาสอบสวนมาเป็นพลังเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้ทําให้ได้สมาธินั้นให้เกิดขึ้นแค่ฉันทะตัวเดียวก็ โ, โหนําโด่งดิ่งแล้วนี่ยถ้ามีวิริยะก็อีกจิตตาก็อีกปัญญาก็อีกหยุดไม่อยู่เอาช่างวาฉุดก็ไม่อยู่ยังไงก็ต้องเข้าถึงสมาธิสิกขาอย่างแน่นอนนี่ก็เรียกว่าเป็นคนมีพลังของอิทธิ บาทปาท่าแปลว่าเท้าอิทธิคุมสําเร็จการจะเดินไปสู่จุดหมายไปทางประสบความสําเร็จต้ก็ใส่เท้าาใสบาทบาท่ า, ททา น, นี่ก็เลยคุณเครื่องเคห์ให้ประสบความสําเร็จฉะนั้นโยมต้องมีรักแท้แต่ก่อนเรารักการมคุณรักแท้โอ้ยขวนขวาย อยากใบบ้านอยากได้ทราบอยากได้สามีอยากได้ภรรยาอยากได้บทอยากได้ยัดดูสิเนี่ยเล่นได้จนแก่ง่อมกันเลยแทบตายเลยอ่ะั้นก็พลิกความรักนั้นมาลักแท้สัทีมารักพระเจ้าประทามพระสงฆ์รักศีลรักศีลถ้ารักศีลรักศีลเพราะเราอ้เราเจอบาปกรรมทั้งหลายเล่นงานก็เพราะเราไม่มีศีลเนี่ยเราถึงไม่ปลอดภัยเพราะรักศีลรักแท้มันก็ จเจริญศีลพอลักสมาธิแท้ๆก็จเจริญสมาธิสลักปัญญาโอ้โหฝึกปัญญาใหญ่โตนี่เป็นต้นถามว่าเนี่ยถ้าจะทําสมาธินี่แหละคืออธิษฐานที่จะทําให้สมาธิเกิดก็คือความตั้งมั่นที่จะแน่วแน่ให้เกิดขึ้นนิพการต่อมาถามว่าเรื่องการหากะรยาณมิตร เออตรงนี้ก็คือว่าด้วยกำลังบุญที่เราทำที่ท่านทำทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้เราตั้งมัน่นด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ตั้งจิตตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะเอาคุณสมบัติเจประการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ปีโยคูรุภาวนิโยที่ฟังไปแล้วเนี่ยงั้นย้อนฟังเอาคุณสมบัติเจประการนี้มาเป็นหลักในการดูกร ะ, ระยายนามิต ใครที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เราจะเข้าหาแล้วด้วยกุศลที่ทำมาทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าจงได้เจอบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้ง7ประการนี้แล้วก็ทำความดีอย่างติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็ตรวจสอบตรวจตาไปเลยเดี๋ยวก็เจอต้องได้แน่นอนพบนี้ไม่ได้พบหน้าก็ได้ พบน้าไม่ได้ก็บพบโน้นก็ได้ที่สุดจริงๆก็จะต้องไปเจอพระเจ้าได้อย่างแน่นอนเพราะเราเป็นคู่มั่นคงในพระรัตนตรยัยพระเจ้าจะไม่ละเว้นเราถ้าเราไม่ละเว้นพระเจ้าจะไหมคุณคําว่าอรหังนะ่ยมีอยู่ความหมายหนึ่งให้พระเจ้าไม่ทิ้งเราหรอกถ้าเราฝังพุทธคุณไว้ในใจให้ย่างรากรึกลงในใจแล้วเนี่ย ฉ้ไหนเลยพระจ้าจะทิ้งเราพระธรรมพระสงฆ์จะทิ้งเราไม่ทิ้งแน่นอนนั้นจงเชื่อมัน่นจงเชื่อมั่นในคนของพระรัตนตรยัยไม่หวั่นไหวต้นทีนี้อีกข้อหนึ่งบอกว่าบอกว่าอะไรนะจ ะ, จะวางใ จ, จ, งใจยังไงในการในกรณีที่ไปเจอบุคคลใช่ไหมเจอสภาวะเจอความทุกข์เจอปัญหา แต่าวางใจยังไงก็วางใจให้มั่นคงกับพาราตาตรายยัยไงแล้วจะวางใจยังไงก็คือมั่นคงในพัรนณาตรัยคือคืออย่าไปดึงเอาปัญหาอุปสรรคภายนอกอย่าใช้ความสามารถของเราไปดึงเอาทุกภายนอกปัญหาภายนอกอุปสรรคภายนอกมาใส่ไว้ในใจเราแล้วก็ปรุงแต่ง จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่นอกตัวเราหมดนะถ้าเราเป็นคนดีที่มันปัญหาคือเราชอบไปดูดเอาทุกข์ดูดเอาปัญหาภายนอกมาไว้ในใจเราแล้วก็ปรุงแต่งฟ้ามเฟือพิสดารก็เลยกลายเป็นทุกข์ของเราไปปัญหาอยู่ตรงเนี้ยเราชอบไปดึงเอาปัญหาอุปสรรคภายนอกมา วิธีการก็คือสมาทานตั้งมั่นว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดนะนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดข้าพเจ้าจะให้ทานศีลภาวนาเท่านั้นเกิดขึ้นในตนนี่ตั้งมั่นอย่างนี้นะคือจะไม่ให้บาปอกุศลธรรมมัชั่วร้ายเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่ตั้งมั่นสมาทานบ่อยๆทุกวันทุกเวลา สองถ้าบาปอาคุษษณลักรณมทั้งหลายมันเกิดขึ้นโดยที่ลืมเนื้อลืมตัวไปจะละให้เร็วที่สุดเหมือนอุจจาระกระเด็นติดหน้าผากจะรีบล้างอย่างรวดเร็วเพราะงั้นจะรีบล้างอย่างรวดเร็วฉะนั้นเวลาความโลภความโกรธความหลงมันติดในใจปุ๊บเห็นว่าสกรปรกมันเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตแล้วให้รีบล้างว่าสิ่งสกรปรกนันเกิดขึ้นแล้วอย่าแช่อย่าแช่ อย่าแช่ให้ระอย่างรวดเร็วนี่ตั้งใจไว้อย่างนี้เการตั้งใจมีพลังมากประการที่สมก็จะฝึกจิตของตนเองให้กระแสะชีวิตตัเองให้อยู่กับทานศีลภาวนาให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ทุกความคิดต้องเป็นกุศลต้องเป็นทานศีลภาวนาทุกความคิดต้องเป็นศรัทธาวุริยสติสมาธิปัญญาฝึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวจนความเป็นแข็งแรงและมั่นคงเป็นความดีให้ได้ ประการสุดท้ายก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีพระรัตนตรแวดล้อมไม่มีคุณความดีแวดล้อมให้มีสัญลักษณ์ของพระรัตนตรแวดล้อมในทุกที่ในทุกสถานที่ที่โดนไปเกิดไปอยู่ไปเกี่ยวข้องจะทําทอย่างนี้ได้เมื่อไหรแข็งแรงและก็มั่นคงสมควรหรือยั ง, ยงสมควรเก่วเวลาขอบูรณากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจ ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ขอให้ความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้กระแสะชีวิตของท่านทั้งหลายจงดำเนินไปตามมรรคาของพระคุเณเจ้าเข้าถึงการดับกิเลสและกองทุกข์เข้าถึงอนุปาทานผลินิพานคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์โยการทุกท่านทุกประการของโมทนา